ตอนคุณนะทำตามธรรมชาติก็กาบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกันลายนลมิตรทุกท่านนั่งสบายสบายเนาะไม่ได้ทำหน้าที่หลายอาทิตย์เนาะหลบมุมวันนั้นไม่ชีไก่ถามพ่อครูด้วยความหวังดีนะพ่อครูดีขึ้นไหมบอกพ่อครูไม่ได้เร็วลงตำรวจยังไม่ได้จับ ส่วนมากเราจะห่วงเรื่องสุขภาพกันนะถ้าสุขภาพไม่ปกติอาการเย็นหน่อยก็เป็นหวัดอาการน้อนหน่อยก็เป็นไข้เราคุ้นเคยเราต้องการรักษาความเป็นปกติความปกติของเราส่วนมากในยักก็คือว่าความสบายถ้าเกิดอาการไม่สบายเราถือว่าเราไม่ชอบเห็นไหเราก็เป็นห่วงกัน คนจีนเขาเจอกันเขาจะถามคำแรกนะกินข้าวหรื อ, อยังเพราะสมัยก่อนเขาจนมากคนจีนพ้นทะเลที่เดินทางมาแถวแถบนี้นะ่ะเขาเป็นโรค ก, กลัวความจนถ้าสุดท้ายเขากัดฟันสู้ทนแล้วก็เขาก็เป็นคนไม่จนเนะพราะเขากลัวความจนเขาเจอหน้ากันปุ๊บเขาบอกว่ากินข้าวหรื อ, อยังนะพวกเราก็สบายดีไหม ใช่มมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรถึงปัญหาของแต่ละชุมชนไม่เหมือนกันเพราะเมืองไทยเราในอุดมสมบูรณ์ในาน้า ม, มีปลาในานา ม, มีข้าวเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกินหรื อ, อยังแต่เราไปติดเรื่องสุขสบายเรากลัวมากกลัวเราจะไม่สบายนะโดยเจ้าผู้เฒ่าผู้แก่นเนี่ห่วงมากและยิ่งแก่เท่าแล้วมันลุกก็โอยนั่งก็โอย มันไม่เหมือนหนุ่มสาวนะก็ยิ่งกังวลเพราะเราติดเคยชินกับไอ้สบายแล้วก็เรารักษาจะรักษาความสบายนั้นจะไปยึดมั่นถือมั่นนะเมื่อมันรักษาไม่ได้มันมีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอาการที่ที่ไม่สมดุลเมื่อดินน้ามลมไฟไม่สมดุลก็เกิดอาการแสดงออกมาตัวร้อนเป็นไข้หรือว่าเป็นหวัดเห็นไดินน้ำลมไฟไม่สมดุล เราก็เกิดความกังวลทีนี้ไอ้ความไม่สมดุลนั้นมันก็เป็นลักษณะปกติของมันธรรมชาติเขากำลังปรับสมดุลของเขาอยู่อย่างอากาศหนาวไปเห็นไหมอากาศหนาวไปธรรมชาติมันก็จะปรับเรื่องธาตุไฟบางทีเลือดจมดาอะไรก็ออกเลยนะอันนี้เป็นลักษณะของธรรมชาติแต่ทีนี้พอมันกําลังปรับอยู่เนี่ยเฮ้ยฉันไม่ปกติแล้วนะวันนั้นคุยกับอาจารย์อ้อยอยู่เนาะโดยฉพาะสตรีเราเนี่ยธรรมชาติ เราเรียกว่าเรามีประจำเดือนก็เป็นเลือดใช่ไหมเป็นเลือดเราเห็นเลือดเราไม่ตกใจเพราะเรายอมรับมันคือปกติปกติแต่ถ้าเลือดออกอยู่เฉยๆมันก็ออกแล้วก็ไม่ปกติแล้วก็กังวลว่าเราไม่สบายนะจริงๆแนละ้วมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆนะมันมีเหตุของมันอยู่มันมีเหตุของมันละ่ะ นะก็คือว่าพรอครูก็ชอบยกตัวอย่างอันเก่าๆแหละเพราะว่าพูดสั้นๆแล้วทุกคนก็เก็ตได้ง่ายเพราะหลายคนนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะนพิสูจน์ไม่ได้มันมันชั่งตวงวัดไม่ได้ไงนะคือคือพ่อครูหลายปีเจอคําถามจากผู้รู้มาเขาอยากรู้นั่นแหละเขาถามเขาอยากรู้เขาต้องการทหาคําตอบให้กับชีวิตนะแต่เขาไม่เชื่อเรื่อง เรื่องกรรมคล้ายๆมันเป็นลมๆแรงๆมันเป็นนามมาทำมันเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้พวกครูก็ยกตัวอย่างว่าไงสตรีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดชายชะกันห้าคนขับรถมาแก้ปัญหาให้อีกท่านหนึ่งก็ขับยกไปยางระเบิดแปลกมากอยู่ในที่เดียวกันแต่คนละวันนะเวลาใกล้ๆกันนะชายชะกันห้าคนขับรถมาฆ่าข่มขืน ถามว่าอุบัติเหตุทั้งสองอย่างนี้ทําไมคนนี้รอดทําไมคนนี้ตายเห็นไหมบางคนว่าเฮ้ยมันบังเอิญนะบางคนมางลัตตินิกายก็บอกพ่อครูว่าพระเจ้ากําหนดพ่อครูก็ถามว่าพระเจ้าทําไมเลือกที่รักมักที่ชังให้คนนี้รอดคนนี้ตายเอาอะไรมากําหนดตอบต่อไม่ได้ เราเข้าใจว่าอุบัติเหตุคือบังเอิญไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างบังเอิญอุบัติขึ้นตามเหตุที่เคยสร้างมาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดนี่แหละทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ไอน์สไตน์ค้นพบแต่ไอน์สไตน์ค้นพบความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องมันเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเรื่องพลังงานเท่านั้นเองบังเอิญไปติดบ่วงไอเรื่องช่างตวงวัดนี่แหละ มันก็เลยสาวไปสู่ไม่ถึงเรื่องนามธรรมา ท, ที่ที่เราหมายถึงนะนามธรรมาไม่ใช่มันไม่มีมันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งมันคือมีรูปนามความจริงทงรรธรรมชาติมันมีทั้งรูปทั้งนามแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยเราไปวิจัยแต่เรื่องรูปประธรรมเราก็เลยพลาดโอกาสในการเข้าถึงความจริงอีกด้านหนึ่งเห็นไหมเราก็เอาความคิดแบบวิทยาศาสตร์ไปค้นคว้าวิจัย ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องมันของพลังงานนี้พลังนี้นะสิ่งนี้ผสมกับสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งนี้เราติดเรื่องช่างตรงวัดไงเราจึงพลาดโอกาสในการวิจัยเรื่องความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่ว่านามมาทำนั่นแหละไม่ใช่มันไม่มีนะมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่รูปธรรม ท, ที่เราจับต้องได้เทคโนโลยีมาสัมผัสมันได้ไม่ใช่ แต่เราสัมผัสมันได้ด้วยความรู้สึกผู้เจ้าจึงบอกว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเพราะสิ่งที่ผู้เจ้าตัดสั้นนั้นสิ่งที่พงเป็นรู้ไปเห็นนั้นน่ะมันคือความจริงแต่ความจริงนั้นช่างตวงวัดไม่ได้แล้วก็อธิบายเป็นภาษาไม่ได้แต่ว่า เนี่ยพุทธวจะนะอะไรที่เขากําลังเห่เกันอยู่นี่ยก็พูดเท่าที่พูดได้เหมือนเราแ่เขียนแผนที่ยกมาให้ดูเลยนะจะเป็นภาษาบาลีแปลเป็นเป็นไทยหรือเป็นแปลภาษาฝรั่งเป็นแผนที่หนึ่งอ่านแผนที่แล้วก็ตีความไม่เหมือนกันนะแม้กระทั่งพระไตรปิฎกก็ไม่ได้เขียนอะไรผิดนิพพานนี่สะกดไม่ผิดนะจากบาลีแปลเป็นไทยนิพพานก็ตัวเดียวกันคนหนึ่งแปลว่า เป็นอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตาเห็นไหมภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นแต่พระองค์ใช้หลักภาษามนุษย์มาบอกว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตแปลว่าอะไรนะเห็นธรรมคืออะไรตอนนี้เราเข้าใจว่าเห็นธรรมะไปอ่านพระไตรปิฎกหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะ หนังสือมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นตัวอักษรแต่มันพูดถึงเรื่องธรรมะเท่านั้นเองแล้วบังเอิญตัวอักษรนั้นไปพูดถึงธรรมะปุ๊บมันก็เลยหยาบไปทําให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงแต่มนุษย์เราทําได้แค่นั้นไงก็เอาไปเป็นเหมาะอ่านแค่สังเกตเป็นแค่ลายแทงเป็นแค่แผนที่อย่าไปแปลไปแปลแล้วจะทะเลาะ ก, กันนะทุกข่ายเนี่ย ตั้งแก๊งตั้งกวนตั้งแบรนด์เนมกันแล้วก็เผยแผ่พุทธวจนะทุกคนก็อ้างพุทธวจนะไม่ยากนะแค่เราอ่านหนังสือออกเราก็อ่านได้ทุกคนแต่สําคัญว่าความเข้าใจมันแค่ไหนมันมันมันยากที่จะว่าอย่าพูดถึงเรื่องธรรมะนี่เลยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งอะไรมากมายนะเอาแค่กฎหมายของชาวโลกเนี่ยภาษาไทยเหมือนกันนี่แหละนะ ไอ้กลุ่มที่ออกกฎหมายร่วมกันนั่นแหละนะสร้างรัฐธรรมนูญมาเหมือนกันนั่นแหละยังตีความไม่เหมือนกันเลยภาษาหยาบๆของมนุษย์นี่แหละนะถ้ามันเขียนออกมาปุ๊บเข้าใจปุ๊บไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีศาลไยไม่ต้องมีทนายความเห็นไหมตอนนี้อาชีพที่ตะวันตกนะแถวเมกาหรืออะไรเนี่ยอาชีพทนายความเนี่รายได้ดีที่สุดเลยมันพิสูจน์อะไร ว่พิสูจน์ว่ามนุษย์เราเนี่ยิ่งรู้มากก็ยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องนะไอ้คําว่าปฏิรูปอะไรเนี่ยหมายถึงว่าปฏิรูปภาษาใหม่เนี่ยกี่ร้อยกี่พันปีก็ไม่สําเร็จหรอกยังทะเลาะ ก, กันเหมือนเก่านะปฏิรูปพัฒนาจิตเป็นทางเดียวนะถ้าจิตเราเข้าถึงแล้วเราไม่ทะเลาะ ก, กับใครเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคน พ่อคูเมื่อยี่สิบห้าปีก่อนเดินทางมาหมู่บ้านนี้ไม่มีไฟฟ้าสิบเอ็ดปีไม่มีไฟฟ้าก็ไปช่วยพัฒนาในหมู่บ้านโรงเรียนขาดอะไรพ่อคูก็สร้างให้เขาวัดขาดอะไร พ, พ่อคูก็ผระป่ามามีเงื่อนไขว่าไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายนะนะพ่อคูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลนะก็ไปสร้างให้มันเสร็จแล้วก็มีเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งว่าต้องไม่มีเหล้านะ พวกนักเลงนักคอเล่าเนี่ยไม่ชอบแต่เนื่องจากคนส่วนใหญ่เขาต้องการสร้างสรรพ์พัฒนาเขากก็กดไว้เพราะคูเห็นจิตหมดนะตอนนั้นพวกคูมาใหม่ๆเพียวๆนะสดๆจากเมืองนอกไม่ใช่บ้านนอกนะตอนนั้นถือว่าไม่ใช่บ้านนอกนะั้นถือว่าป่าชายแดนนะถนนไม่มีนะบางคนบน่นพวกคูทำไมอยู่ไกล ถนนยังกับไปทางไปดาวังคารอะไรเนี่ยบอกว่าโอ้ยนี่จเจริญมากแล้วนะพ่อครูนั่งเรือข้ามมานะไม่มีถนนนะเป็นเกวียนไม่มีสะพานข้ามมาฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งโน้นนะพราครูนั่งเรือข้ามมาเนะี่ยทุกวันนี้มันจเจริญมากไปแล้วเนาะพ่อครูขึ้นเขาให้พ่อคูขึ้นไปพูดวันนั้นงานบุญพ่อคูบอกว่าว่าละ่ะบรรยายว่าทําไมเราต้องมาช่วยกันทําบุญอะไรเนี่ยก็ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะเขาอะไรล่ะเขาทำพิธีเขาเรียกว่าแห่กองพระป่าจากโรงเรียนเขาไปวัดนะเขาก็ร้องไปด้วยว่าเกิดมาไม่เคยมีความสุขขนาดนี้ไม่ไม่เมาก็สุขได้สมัยก่อนถ้าไม่เมามันไม่กล้าลําไงมันไม่น่าด้านไงมันลําไม่ออก แต่งานนั้นเขาเดี๋ยวเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงนะแต่ขอเล่าเนี่ยนั่งกดตัวเองไว้เพราะมันคำว่าบุญเนี่ยภาคอีสานเนี่ยไปเอาบุญไปเอาบุญเนี่ยนะบุญก็คือเมาถ้าไม่เมาไม่ได้บุญเมาทุกงานกระถินผ้าป่าวันเกิดวันตายเมาหมดนะนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องประเพณี มันมันบ่มเพาะมาเป็นแบบนี้นะพ่อครูไม่รู้ไงบางคนก็บอกพ่อครูบังอาจกล้าหาญนะพ่อครูไปพูดบอกว่าชาตินี้ตั้งแต่นี้ไปไม่มีใครชนะพ่อครูได้โอ้พวกนักเลงเขาเขากัดฟันเลยนะไม่ได้อาหาังการคือพูดความจริงนะไม่มีใครชนะพ่อครูได้แล้วเพราะพ่อครูไม่สู้ด้วยไง เรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนนั่นแหละเราจะไม่มีวันแพ้ทุกวันนี้จะเอาแพ้ชนะกันไงเหมือนเราเป็นนักมวยเราขึ้นเวทีนะนะไอคนชนะถูกยกมือขึ้นก็เกือบตายเหมือนกันเห็นไหมเกือบตายเหมือนกันเห็นไหมแพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บ ม, มีทางเดียวเราเลิกชกเราก็ไม่ต้องไปเจ็บตัวนะ ก็คือไม่ต้องร่วมสังคกรรมการร่วมสังคกรรมเราต้องรับกรรมนั้นมกระทั่งกรรมดีก็ต้องรับนะก็เร็วๆนี้ญาติธรรมเก่าแกนะ่ก็มาเยี่ยมพกคูก็สนทนากันหลายอย่างเขาก็ถามว่าที่พกกูทำทำนี่สร้างนูน่นสร้างนี่ทางโรงเรียนเนี่ยไม่ติดดีเลย เพราะกูว่าถ้าพกูติดดีเนี่ยพกูเพ่นที่นี่ไม่อยู่มาถึงยี่สิบห้าปีคนติดดีถึงจะไม่มาที่นี่ทําดีทําแค่พอดีแต่ไม่ติดดีแต่ความดีไม่มีวันพอนะหลายคนก็เห็นแล้วก็เป็นห่วงพะกูนั่นแหละเดี๋ยวทำโน่นทํานี่เมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่มันจะหมดฮละลมหายใจล่ะมันก็หมด ความดีหยุดไม่ได้ทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ติดดีคนที่ติดดีนั่นแหละก็เอาอารมณ์ที่ตัวเองไปมองคนอื่นว่าเขาทำอย่างนี้เขาอยากติดดีเขาอยากดังเขาอยากอะไรพวกนี้นะี่ยอันนั้นอ่ะไม่ได้กุศลอะไรทั้งนั้นนะทำบุญแล้วแค่เขาแซ่ซ้องสรรเสริญนั่นมันเป็นอามิดทั้งนั้นถ้าพวกคูยังมีบวงตรงนี้อยู่เนี่ยมันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกไปตั้งนานแล้ว นะไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคตั้งแต่แรกอุปสรรคมีทุกวันแต่สำหรับพระครูไม่ใช่อุปสรรคนะปัญหาต่างๆเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีงานทำการทำงานคือการแก้ปัญหานะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันแล้วไปทุกข์กับมันเนี่ยเออมันทไม่ใช่ธรรมะคือหน้าที่มันเป็นภาระหน้าที่เราก็หนักแต่ถ้าเราทาหน้าที่ทำเพราะทำมันไม่ใช่ปัญหา ไอ้ปัญหานั้นเรียกว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนั้นแหละก็เรามีหน้าที่แก้มันนี่คือการทำงานถ้าไม่มีอุปสรรคเนี่ยเราก็ไม่มีงานทำมันไม่ใช่พาละมันเป็นหน้าที่ซึ่งไม่มีใครบังคับเรานะก็คำถามนี่แหละว่าคือคือถ้าถ้าเราไปพวกครูมีใจอยู่ตกใจทำไมเป็นคำถามยาบยาบนะก็อยู่ที่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยคือเขา เขามองไม่ออกเขามองจากอารมณ์ที่เขาเขามีความอยากตรงนั้นน่ะเขาติดดีเขาถึงไปว่าคนอื่นไม่ดีนะ่ะเขาเลยคิดว่าทุกๆคนต้องเป็นแบบเขานะแล้วก็หลายปีก่ามีคนถามพระครูตรงๆเลยละ่ะว่าเหมือนพระครูปากว่าตาขยิบนะในบอกพระครูหยุดแล้วไงหนีจากเมืองนอกมาอยู่ม น, นอกนะแล้วทำไมมีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องเต็มไปหมดเลย เป็นคำถามที่ไม่เคยได้ยินพอถามมาจิตมันก็ตอบเพราะุูไม่เคยได้ยินนะก็หยุดแล้วไงถึงทําถ้าไม่หยุดทําเพื่อตัวเองแล้วจะมีเวลาที่ไหนทําให้กับคนอื่นเพราะกูไม่เคยช่วยใครเลยยี่สห้าปีไม่บังอาจไม่บังอาจฝืนกฎแห่งกรรมใครแต่เรามีหน้าที่ให้การให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เราให้แต่ถ้าเราบอกเราจะช่วยเขาเราจะมีอามิ t ์แล้วว่าเราจะหวังมากเขาจะดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเราก็ทุกเห็นไมมันไม่ใช่บุญมันเป็นบุญกิริยาเป็นกิริยาในการทำบุญแต่มันไม่เป็นกุศลจิตมันมีอามิ t ์เห็นไมก็เร็วๆนี้ญาติทาก็าถามพ่อครู บอกให้พระครูพาไปเที่ยวด่านเม้นกันเขาก็ถามโจทย์นี้ว่าเนี่ยแหละเพื่อนสนิทพระครูเองอยู่บนเคยถามว่าปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติสิไปเปิดโรงเรียนทำไมเราก็งงนะเราเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมไปนั่งหลับหูหลับตาฝึกสมาธิจเจริญสติไปนั่งกรรมาฐานเท่าเนี้นคือปฏิบททัติธรรมอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะอันนั้นเขาเรียกว่าไปฝึกวิชาทำสมาธิ ฝึกวิชาจเจริญสติเท่านั้นเองปฏิบัติธรรมคือมักผลนิพพานมักคือทานศีลภาวนาการให้ทานน่ะคือการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมทุกวันที่ศูนย์นี่นอกจากสามอย่างนี้เนี่ยยี่ห้าปีพอ ก, กูไม่เคยทำอะไรเลยอยู่ในกรอบสามอย่างนี้คือทานศีลภาวนาทำดีละชั่ว ขัดเกาจิตให้ผ่องใสยอย่างอื่นไม่ทำมันมันไม่ง่ายนะที่เราเอาความคิดแบบตักกะปัญญาความรู้ที่เราเรียนรู้มาโดยเฉราะวิชาต่อสู้เพื่อเอาชนะเราจะไม่เข้าใจสิ่งนี้พาะครูโดนตรวจสอบโดนประเมินมาลหลายปีนะเข้ามาประเมินสอบพ่อครูนักวิชาการเขารู้ประวัติพระครูดีสมัยอยู่บนนี่ซิ่งเลยไม่ใช่นักเลงนะแต่นักเลงเรียกพี่นะ ยุ่งเขาไปหมดหลวตัวน้น้อยแหละนะใครมาซาที่อุบลเนี่ยไปถึงบ้านเลยนะเล่นการเมืองไปสู้เวทีใหญ่อเมริกาชีวิตพระกูล้มลุกคุกคานถ้าในแง่ถสถานภาพเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นขึ้ น, น ล, งลงลงแบบนี้เลยแหละแต่มันก็เป็นประโยชน์ไงทำให้พระกูเห็นเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่บังเอิญนิสัยเราเนี่ยขึ้นก็สนุกลงก็สนุกอีก ไม่เคยไม่ผิดหวังอะไรเลยมันเป็นเกมนะมันเป็นแค่เกมเราเล่นการพนันไม่ได้ก็เสียใช่ไหมแต่แต่มันเป็นบทเรียนของชีวิตยอย่างหนึ่งว่าเรา อ, อมีโอกาสริ้มรดตอนที่มันขึ้นลิมรดตอนที่มันลงแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของมันไม่แน่นอนของมันนะอันนี้เนี่ยก็ใช้คําว่าถ้าในทางโลกบอกล้มลุกคุกขาน ธรรมชาติเขาส่งให้พ่อครูเนี่ยไปรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งสี่สิบปีแบบแรงๆทำาให้แรงๆแหลงหมดกินเหล้าทุกยี่ห้อสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่ซองคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็นเรานับเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้ได้รางวัลชีวิตก็คือเป็นไมเกรนเป็นความเครียดลงกระเพาะมันก็จ ะ, จะดันขึ้นมาเป็นโรคหัวใจแล้วตอนนั้นกาลังจะเดี้ยนนะ บังเอิญบุญเก่านั่นแหละก็บุญเก่านั่นแหละทําให้เราไปริมรถสูงต่ําสูงต่ําสูงต่ําสูงต่ําทําให้เราไม่ไปติดมันแล้วก็บุญเก่านั่นแหละตู้มเดียวกะชาติให้เราเบรคเราเห็นเลยว่าเจอแล้วคําตอบของชีวิตไม่ลังเลสงสัยไม่ได้คิดแม้แต่หนึ่งวินาทีนะเคลียทุกอย่างปุ๊บในประเทศตัวเองจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอก ตอนนั้นอย่างเดียวว่ามันนอกไม่ได้หรอกหมู่บ้านนี้แทบจะไม่มีคนเขื่อนสิรินทร์พ<ป><ง>ึ่งๆ่งกั้นมาใหม่ๆนะอำเภอสิรินทรยังไม่เกิดเลยนะที่นี่ไม่มีใครกล้ามาหรอกชายแดนตอนนั้น่ะสมัยยุคก่อนก็เป็นดงคอมมิวนิสต์ดงสีแดงก็กูใช้ชีวิตยอย่างนั้นมานะไม่มีไฟไฟ้าอยู่สิบ็ดปี แล้วบังเอิญเราเห็นชุมชนกำลังล่มสลายหนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านพอถนอนเริ่มตัดเข้ามาได้แล้วปุ๊บเอาล่ะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนคนที่อื่นก็เข้ามาว่านซื้อที่คนที่นี่ก็ดึงออกไปไปหาเงินที่กรุงเทพทุกอย่างเป็นการซื้อสมัยก่อนไม่นะจะับปลามาปุ๊บแบ่งเข้าป่ามีเห็ดปุ๊บมาแบ่ง พ่อคูเอาเห็นโลกนี้ยังมีอย่างนี้เหรอพ่อครูยังมายังเขาพาพ่อคูไปเก็บเห็ดพกก่อครยังมีอย่างนี้เหรอมีอาหารทิปไม่ต้องปุ๋ยไม่ต้องยาไม่ต้องซื้อนะพ่อพูดถึงเรื่องลงเขื่อนจากป่าเมื่อกี้ก็แวบบไปถึงฝรั่งคนหนึ่งเขาชื่อทราวิสเป็นเด็กหนุ่มตอนนั้นอายุยี่สบกปีคนอเมริกันเขาเคยมาปฏิบัติที่นี่มาอยู่กับพ่อคูเป็นปีเลยนะตอนนั้นเขาปฏิบัติเนี่ย นะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเทวาเพราะว่าเด็กเด็กมันนอกมันเรียกยากมากทราวิสนะมันเรียกไม่เป็นก็เป็นเทวเทวดาดีกว่าเป็นเทวาพอเขาเหวี่ยงพระเจ้าในดวงใจเขาทิง้งตอนนี้เขาเป็นคนไม่มีาศาสนาพวกกรูบอกเทวาถ้าเธอไปลงเขื่อนนี่จับปลาตัวหนึ่งมาได้ยาวๆขนาดนี้เนะ่เธอจะเก็บได้ยังไงกินนานที่สุดเขานั่งคิดเขาดีดนิ้ว ก็บอกวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือมาสับสับสับสบ ส, บ ส, บสบเอาพลาสติกมาแรบไว้แล้วก็ไปแช่แข็งวันไหนจะไปกินก็เอาออกมากินทีละชิน้นหรือถ้ามีโรงงานทําปลากระป๋องก็ทําปลากระป๋อง <c oughs> เขาคิดแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนิยมแค่นั้นเนอะเขบอกแค่นั้นนะกินนานที่สุดดีเนาะถ้ามันมีไฟฟ้าให้มันแช่แข็งเนาะสมัยก่อนมันไม่มีเนาะนะ ทีนี้พ่อครูก็หันมาถามพี่อ้อมพี่อ้อมเป็นเด็กบ้านนอกตอนนั้นเรียนกศนอพนอ่อครูสอนเองเสาวาทิตย์คืนวันเสาร์มานอนอยู่ที่นี่อาทิตย์หนึ่งมาเรียนสองวันแต่คืนวันเสาร์พ่อครูเป็นคนสอนศีลสมาธิปัญญาตอนนี้พี่อ้อมกลายเป็นครูสมัยก่อนเรียนมัธยมที่นี่นะตั้งแต่มัธยมต้นปลายเนี่ยกศนอตอนนี้เป็นครูอยู่ที่ด่านเมนิน พี่อ้อมถ้าพี่อ้อมจับปลาตัวหนึ่งมาใหญ่ขนาดนี้พี่อ้อมจะทำยังไงกินนานที่สุดพี่อ้อมไม่ต้องนั่งคิดเลยนะคนมานนอกที่นี่นะเขาบอกแบ่งเป็นสี่ชิ้นเอาชิ้นที่เนื้อมากที่สุดเนี่ยไปทำบุญที่วัดเอาชิ้นที่ดีที่สองเนี่ยไปให้ข้างบ้านเอาชิ้นดินที่สามเนี่ยมาทำอาหารกินในครอบครัวเราเอาชิ้นที่ดีที่สี่เนี่ยมาทปาปลาลามาตากแห้งกินข้ามภพข้ามชาติ กินข้ามพบข้ามชาติทำไมเหม็นไมไอ้บุญที่เราทำไปแล้วมันหายไปไหนมันไม่ได้หายเป็นอริยทรัพย์ตายไปแล้วเอาไปใช้อนาคตชาติแล้วไม่ใช่แก้ปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างเดียวเมื่อฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยขอฉันชุมชนจงไม่ต้องมีตารวจไงในเมืองมีตารวจ มีอายการมีสารเยอะมากทุกๆุกสารทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะเราแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเห็นไหมนี่คือภูมิปัญญาไทยซึ่งเกิดจากวิถีไทยเนี่ยเกิดมาจากวิถีพุทธวิถีพุทธเราเกิดมาจากวิถีธรรมฉันให้เธอเธอให้ฉันคนเรามันจะให้กันได้มันต้องรักกันใช่ไมล่ะพอวันไหนที่เราไม่สบายป๊บ ข้างบ้านมังเอิรมันจับปลามาได้มันก็มาทำอาหารมาเลี้ยงเราการให้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จแต่ตอนนี้โลกมันกลับกันตั้งแก๊งสู้กันระหว่างประเทศระหว่างทวีปนะระหว่างบริษัทห้างร้านแม้กระทั่งครอบครัวเดียวกันตอนนี้ยังสู้กันเลยคุยไม่รู้ภาษาแล้วฉันจะเอาสีนนฉันจะเอาสีนี่ แล้วมันจะสงบได้ยังไงมันจะสันติได้ยังไงไม่มีทางนะพัฒนาสังคมเนี่ยต้องพัฒนาที่คนนะไม่ใช่พัฒนาที่สังคมคนดีสังคมก็ดีนะสังคมมันไม่ดีเพราะคนมันไม่ดีมันไม่มีคุณธรรมนะพอพูดถึงคุณธรรมเนี่ยเพราะคูมีเรื่องต่อยอดอีกเมื่อกี้แก้วทิพกระสิบผูพ่อคูอยู่พ่อครูวันนี้พูดน้อยๆห น, น่อยนะ เพราะญาติธรรมพวกนี้จะกลับหลายคนใจให้เขาเหวี่ยงเยอะๆบอกแน่นอนเพราะครูจะพูดทีละคำยังไม่รู้เลยว่าจะพูดอย่างอะไรบ้างก็ไม่รู้ไงพอมาถึงคําว่าคุณธรรมเนี่ยอันนี้ต้องรู้นะคุณธรรมไปว่าอะไรตอนนี้ผู้ใหญ่สอนเด็กเธอต้องมีคุณธรรมนะคุณธรรมคำจุนโลกนะถามว่าคุณธรรมคืออะไรก็นั่งงงเห็นไหม ไปดา่าเขาไม่มีคุณธรรมคุณธรรมถ้าคุณธรรมคุณธรรมจริงๆเนี่ยมันด่าคนไม่เป็นนะคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกมีอยู่แล้วนะพวกคู่มาใหม่ๆน้องคีเนี่ยตอนนี้อา ย, ยุสองสามขวบ ไปเรียนโรงเรียนอนุบาลที่อุบลเขาก็สอนว่าพ่ออาชีพอะไรคนนี้บอกเป็นนายพลคนนี้ตำรวจคนนี้เป็นทหารคนนี้เป็นพ่อค้าคนนี้เป็นเป็นเป็นเป็นนักกฎหมายเนน้องขีเขาบอกพ่อนั่งสมาธิมันก็เห็นแต่เราลั่งหลับตานะาฮ่า <c oughs> <c oughs> เขาก็มาเล่าให้เราฟังบอกเอาเราหนีเสือป่าจาระเข้แล้วตอนนั้นอยู่ในเมืองนะก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ ก็ย <ห Leben. S 1> ้ายมันอยู่ที่นี่นะไม่ให้ไปเรียนทั้งนอกนะได้เราก็เรียนกศนอที่นี่นะครับผ่านลงที่ในในหมู่บ้านโรงเรียนหมู่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงกระต่ายกระต่ายป่านะแต่เขาเลี้ยงในกรงเหล็กนะมันออกลูกมากี่ตัวไม่รู้เราเข้ามาให้น้องขี่คู่หนึ่งตัวผู้กับตัวเมียพน้องขี่แกเกิดปีกระต่ายนะเฮ้ยลูกไปเลี้ยงมันทําไมว่า เขาให้มางั้นขังไม่ได้นะเพราะคูต้องล้อมรั้วตะแกรงเหล็กเนี่ยหนึ่งไล่เพื่อป้องกันสุนัขไม่ให้ไปด้านมันก็ปล่อยมันทิ้งไม่ต้องเลี้ยงให้นะนะมันก็วิ่งไปวิ่งมามันกินหญ้าลายๆผ่านไปหกเจ็ดเดือนนะกระต่ายสาวตรงนั้นน่ะน่าจะตั้งท้องนะเขาอ้วนขึ้นเขาสนิทกับเรามากผิวปากเพื่อเขาก็วิ่งมาหาเราสักพักหนึ่งมันหายไปสองวัน ผิวปายังไม่ออกมาเห็นแต่ตัวผู้พวกครูก็เอาไปฉายสองสองสองสองตอนนั้นเขาขุดลูเยอะมากขุดลูขุดลูแล้วตอนนั้นหน้าฝนบอดี้เขาไปออกลูกอยู่ในรูที่เขาขุดนั้นอยู่ใต้ชายคาที่ป้องกันฝนได้แล้วก่อนหน้านั้นขนเขาหลุดออกไปนะว่าเอ๊ะตัวตัวผู้นี่ไปกัดหรือเปล่าเป็นยมยมพอสองเห็นปึ๊บเขาดึงขนเขาเนี่ย ไปปูให้ลูกเขานอนแลมันก็เลี้ยงลูกด้วยนมก็วิ่งออกมาหากินก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปสักพักหนึ่งลูกเขาวิ่งออกมาเจ็ดตัวถามว่าตอนนั้นมีด็อกเตอร์คนหนึ่งก็มาถามว่าพ่อครูอธิบายให้ฟังหน่อยคําว่าความรู้กับปัญญามันต่างกันอย่างไรพ่อเขาจบด็อกเตอร์ไงแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นเพื่อนรุ่นพี่เคยสมัครผู้แทนด้วยกันเขาก็ห่วงพ่อครูล่ะ สงสัยขาดสติหรือว่าอับเสตผิดหวังอะไรนะหนีจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกแล้วึกๆจะมาชวนมาเล่นกลางเมืองอีกนั่นแหละ mm hmm. พวกะคูกขาเอาเรื่องกระต่ายพูดให้ก็าฟังถามว่ากระต่ายสาวท้องแรกเนี่ยเขาไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็พ่อแม่เขาเนี่ยเกิดคลอดเขาอยู่ในกรงเหล็กพาลงเขาก็ปูผ้าอะไรให้มันนั่นะมันไม่ได้ขุดลูไงมันรู้ได้ยังไงมันต้องขุดลู แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามันจึงดึงขนของมันนี่ไปปูให้ลูกมันนอนเอาละมันอาจจะจำได้ว่ามันกินนมพ่อมันกินนมแม่มันก็เลี้ยงลูกด้วยนมถามว่าทำไมมันรู้หน้าที่ตรงนี้มันมีคุณธรรมคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติแต่ในขถาเดียวกันหลายปีก่อนมีหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งเลยเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยคลอดลูกออกมาไปทิ้งที่สะพานลอยที่กรุงเทพ เขาก็สืบจับดูว่าแม่เป็นใครเนี่ยนะเห็นไหมพ่อคูก็ถามเด็กที่นี่นี่แหละพี่อ้อมอะไรรุ่นเนี่ยรุ่นน้องคีเรียนกศนที่นี่พอกที่บ้านเลี้ยงไก่ไหมเขาบอกเลี้ยงนะมันออกไข่หรือมันออกลูกมันออกไข่ออกทีละฟองบอกหลายฟองแล้วมันออกแล้วมันทํำยังไงถ้าเกิดว่าเรามีที่สูงมีชะลอมไว้ที่สูงนะมันจะมันจะออกที่สูงนะมันจะป้องกันให้อ้พวกไอสัตว์อะไรไปรบกวนมัน มันออกไข่แล้วก็ฟักไข่ฟักเป็นตัวแล้วทํำยังไงบอกมันมันก็จะเอาลูกมันลงมาสอนลูกมันทํามาหากินพอวันหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งจะกัดลูกมันเนี่ยมันพยายามสู้มันสู้ไม่ได้ก็กัดต่อหน้าตัวมันเลยตัวหนึ่งถามว่าแม่ไก่ร้องให้ไหมมันไม่ร้องมันทําอย่างไรมันก็เอาลูกที่เหลือเนี่ยไปทํามาหากินทีนี้ถามต่อไปว่าแม่ไก่เนี่ยเคยเห็นแม่ไก่มันวางแผน้องลูกที่เพิ่งไปทิ้งสะพานลอยไหม คำตอบคือไม่เพราะอะไรเพราะมันมีคุณธรรมคุณสมบัติตามธรรมชาติสัตว์โลกมีหมดและตอนนี้เด็กสาวคนนั้นคุณธรรมตรงนี้หายไปไหนมันถูกความรู้ผิดอวิชชามันบอกว่าอย่าเลี้ยงนะเป็นภาละมนุษย์ปราเสรศดไหมมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นสัตว์เสริฐไม่ใช่เปรศดเพราะเกิดผู้เป็นเสรศฐเลยนะ เปิดเพราะเราพัฒนาได้มันมีคุณธรรมอยู่แล้วศีนห้านี้ก็เป็นคุณธรรมปกตินะทาสานไม่ต้องถือสินเลยมันมีศินห้าอยู่แล้วเอาเล่ายี่ห้อแพงที่สุดในโลกเนี่ยไปให้ทาสานมันกินมันก็ให้อะไรก็ไม่รู้เอาบุหรี่ดีๆอย่างพวกกูสูบไปละวันหนึ่งสามสี่ซองให้มันมันบอกเอ้เหม็นไม่เอาทาสานมันต้องโกหกไหมไม่มันพูดภาษาก็ไม่เป็น รถเบนอะไรมันก็ไม่รู้มันไม่มีไม่มีความอยากมันไม่มีเหตุต้องโกมันมีศีลห้าอยู่แล้วนะปีก่อนไปบรรยายที่โบสถ์ยัยคุณเล็กอะคุณจุ๋มก็พาพ่อครูเดินข้ามไปสวนลุมอะนะตอนเช้า <c oughs> ก็ไปเจอพระเขาเทศเขาเรียกว่าธรรมะในสวนวันอาทิตย์พ่อครกูก็ไปนั่งสังเกตการ มีแต่คนอายุพระครูในนั้นอายุน้อยที่สุดนะผู <c oughs> <N ic> ้เฒ่าผู้แก่ไปเดินตอนเช้าแล้วไปนั่งตอนเช้าแล้วก็ไปทำบุญไปฟังเทศพระเขาเทศให้คนหัวหอกๆนั้นถือศีลห้าพวกครวเอ๊ะมันจะทันหรือเปล่านี <N> ่ <ic> มันสลดใจนะเราพัฒนาตัวเองเรียนรู้มากๆเลยจะรู้ตรงนี้ต้องมาถือศีลห้าทาซามันมีศีลห้าอยู่แล้วไงมันสะท้อนให้เห็นอะไร สะท้อนให้ความเห็นความตกต่าของมนุษย์ยุคนี้เราพัฒนาจริงหรือเปล่าเราถอยหลังมากจนอายุขนาดนี้เขาบอกให้เราถือศีลห้านะถ้าถ้าศีลนี่เป็นบันไดไต่ไปอย่างนี้นะตอนนี้น่าจะเป็นครูบาอาจารย์อย่างพระคุณเจ้าในศีลสองร้อยิบเจ็ดนะนะเพราะว่าเราต้องไต่เต้าบันไดใช่ไหม ตอนนี้เขาให้เราไปถือศีลห้าไงมันแสดงถึงความถอยหลังของเราเรามีศีลห้าอยู่แล้วตั้งแต่กำเนิดเห็นไหมแต่ตอนนี้เราทำไปทามาพัฒนารู้ๆๆจนศีลห้าหายไปไหนเอาลูกตัวเองไปทิ้งที่สะพานลอยไก่มันก็ไม่ทำกระต่ายมันก็ไม่ทำนะไม่อายมันเหรอเห็นไหมคุณธรรมนี่ไม่ต้องเรียน ไม่ต้องฝึกมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันหายมันถูกกบเกินด้วยความรู้ผิดคืออวิชชาความรู้ที่แฝงด้วยความโลภโกรธหลงนะก็เร็วๆนี้เราจัดเข้าค่ายครูลงมาเข้าค่ายมันสุดท้ายพ่อครูก็เออมานั่งคุยว่าโอเคใครต้องการอะไรขาดอะไรต้องการแนะนาโรงเรียนยังไงนะมีครูบุญโส ค, คนหนึ่งเขาก็บอกว่า เขาอยากได้ห้องพิเศษห้องหนึ่งห้องอะไรห้องสอนจริยธรรมเพราะกลัวคุณจะไปสอนอะไรสอนให้มันเด็กไหวนะไหวท่านั้นไหวท่านี้ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้พระไหวอะไรอะไเพ ร, ะ ร, ระาะคูบอกจริยธรรมไม่ใช่วิชานะมันเป็นจริยวัดมันเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเป็นปกติคนไทยก็มีจริยวัดของคนไทยฝรั่งนีจริยวัดของฝรั่ง ไม่ใช่ไม่ทำเลยต้องไปสอนเป็นวิชาหลงกันไปหมดแล้วรับเขาก็สว่างเลยเห็นไหมแล้วตอนนี้ครูกองแก้วเขา ก, กำลังแกะสลักนะเด็กผู้ใหญ่เด็กโตผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กญิงผู้ชายเดี๋ยวอีก2องวันก็เสร็จแล้วก็ไปตั้งอยู่หน้าใกล้ๆทางเขาเนี่นี่คือจริยวัตนของคนไทยการไหว้เนี่ย มันเป็นการเตือนสติเป็นการฝึกให้เรานอบน้อมถ่องตนนะพระครูเคยเป็นนักการเมืองพอยืน พ, พูดไม่ปุ๊บพูดตามอามรมณ์เลยขาดสติคนไทยเราเนี่ยนั่งจับเข่าคุยกันพระพุทธเจ้าเห็นไหมปางมารวิชัยนั่นพระองค์ทำแบบนี้เพราะมารมันมา มันมากวนเราปุ๊บเนี่ยพระองค์เตือนสตินี่ปังสะดุ้งมานปางมานวิชัยแต่ทุกวันนี้นักการเมืองเรายืนพูดเราไม่ได้จับเข่าคุยกันขาสติเนี่ยคนไทยเรามีอะไรนั่งจับเข่าคุยกันมีอะไรก็ถ่อยทีถอยอาศัยอันนี้ไม่ใช่เอาอยานั้นลปลุกระดมใหอ้อ่ให้ให้เคียดแค้นกัน เพราะเราลืมจริยธรรมเราลืมจริยวัตซึ่งคนไทยควรจะเป็นเราไปเหอวัฒนธรรมแบบฝรั่งไม่ใช่เขาไม่ดีนะพวกครูธรรมชาติเขาจัดสรรให้พวกครูเคยไปลุยอยู่ตะวันตกอะอยู่อเมริกาอะไรนี่นะรับเดินทางไปทั่วโลกหมดแลวเราก็ไปศึกษาวัฒนธรรมเขา ประชาที่ปไตจยที่เขาสร้างมามันเหมาะกับเขาเพราะเขาบ่มเพราะเขาคนของนเขาต้องแต่เกิดพกเพราะครูเองเนี่ยไปขายขี้หน่ายอยู่ไมอ า, ามี่เราเป็นนักการเมืองตอนนั้นเราจะขยายสาขาร้านอาหารเราเนี่ยนะพเพราะครูก็ขับรถไปบังเอิญยางมันล่วงไงนะก็จอดอยู่หลังลาน พอเลิกเที่ยงฝรั่งอยู่ข้างบริษัทเนี่ยมันเป็นที่จอดรถเขาไงเขาออกไม่ได้ไงแล้วเรากาลังเปลี่ยนล้ออยู่ตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ปูปู ป, ปา่ปาบอกยางระเบิดอะไรเขาบอกว่ายางระเบิดเป็นปัญหาของเธอปัญหาของฉันคือฉันออกไม่ได้มันบอกเกตเอาแค้นฝรั่งคนนี้อยู่สามปีไอ้นี่ไม่มีน้ำใจคนไทยเราชอบน้ำใจเนาะ ช่วยกันมาเก้าครั้งครั้งที่สิบไม่ช่วยนะเกลียดมันเลยเนี่ยน้ำใจ <c oughs> เราไม่เข้าใจประชาธิปไตยเรามักง่ายแบบไทยๆเราอ้างเรื่องน้ำใจหลังจากพวกคูซึมซับสังคมเขาแล้วเนี่ยโทษนะพวกคูด่าตัวเองแต่ก่อนบัดซบอายมากๆเลยนี่ลัฐ ก, การเมืองไทยไงมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเขียนว่ายอย่างไรเกี่ยวกับว่าคนในชาติมีสานึกอย่างไร ด้านพ่อครูดังมากนะลูกค้าเคยมาจ้างบอกเฮ้ยเพื่อนเป็นสอสอมันจะมาเยี่ยมจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านนะบอกให้เราไปทําอาหารเลี้ยงอาหารไทยเนาะพ่อครบอกเดี๋ยวงานนี้ขอไปด้วยเพราะเราเคยเป็นนักการเมืองเลยศึกษาว่าการเมืองเขาเป็นยังไงใช่ไหมจัดปาร์ตี้เขาก็เออผู้แทนเขาก็มาพูดอย่างนี้ๆเขาขอร้องประชาชนว่า ให้ช่วยกันใช้รถอเมริกันน่ะถึงมันจะเอถอะทะก็ช่างแต่มันปลอดภัยเราขาดดุลการค้าญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยคนในปราร์ตี้ก็บอกเขาเนี่ยเออผู้แทนอย่างนี้เนาะแล้วสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านเป็นยังไงคนมาปราร์ตี้นั้นเน่ะควักเงินขึ้นมาลงขันลงขันซื้อผู้แทน แล้วเจ้าของบ้านก็เอาเงินตัวนี้ปุ๊บจ่ายค่าอาหารปุ๊บที่เหลืออ่อให้ผู้แทนผู้แทนมันกล้าขายตัวไหมโนมันขายตัวโดนแน่ๆเพราะมันถูกประชาชนซื้อแล้วแต่บ้านเรามันกลับกันเราเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ภาษาบ่งบอกนิสัยภาษาไทยเรามีภาษาลูกน้องคุยกับเจ้านายเด็กคุยกับผู้ใหญ่แบ่งชั้นมันนะ แต่ภาษาฝรั่งเขา you and me เท่ากันเราคุยกับประธานธิบดีก็ you and me มันบ่มเพาะภาษาให้เท่าเทียมกันตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะเด็กมันนอกเรานะตอนนั้นเจ้าเทวามาวันแรกอะทราวิสคนฝรั่งนะมันเดินมาน้องแทนเนี่ยตอนนี้เรียนมัธยมลูกนักคำเนี่ยลูกใหญ่หน่อยมันเห็นมนุษย์ต่างดาวเดินมา มันวิ่งไปกอดให่หน่อยเห็นไหมมันเลยปลอดภัยเพราะมันพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นแต่ตอนนี้ลูกหลานเราถูกฝรั่งหลอกและ ว, วิชาการเราถูกฝรั่งหลอกเพราะเราพูดภาษาอังกฤษเป็นไงด็ตอร์สองคนคุยกันไม่รู้เรื่องเห็นไหมแต่ชาวนาสอนควายไถายนาได้นั่นเรารู้ไง เรารู้ภาษาเขาถึงหลอกเราได้แต่น้องแทนไม่รู้ภาษามันก็ได้หลอกน้องแทนไม่ได้ไงเห็นไมคือคือเราบ่มเพราะคนพวกเรากับเขาไม่ไม่เหมือนกันเขาก็ดีอย่างเขาเราก็ดีอย่างเราพวกครูเลือกแบบไหนแน่นอนพวกครูเลือกอย่างนี้พวกครูถึงกลับมาแต่นี้เสือป่าจระเข้พระเจ้าอยู่ในเมืองนะก็เป็นเรียนแบบเขาแต่ไม่เหมือนเขา ตอนนี้เด็กไทยอันตรายมากเด็กไทยคืออะไรเด็กใครโดยเฉพาะในเมืองนะลูกครึ่งครึ่งผีครึ่งคนนะครึ่งผีคือยังไงครึ่งฝรั่งครึ่งไทยนะเขาอ้างสิทธิเฮ้ยโตแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปปาร์ตี้จะไปเที่ยวเทก ค, คุณแม่อย่าพูดนะเป็นสิทธิก็ไปสิคุณแม่ของเงินหน่อย เอาแบบไทยจะไปแบบฝรั่งแต่เอาแบบไทยเสียหมดทำอะไรไม่เป็นเด็กฝรั่งไม่นะอายุสิบแปดพ่อแม่รวยแค่ไหนก็าช่างบายบายนะจัดวันเกิดใหญ่ฉลองปุ๊บเขาออกไปทำมาหากินจะเรียนต่อทำงานส่งตัวเองไม่ใช่ว่า หน้าที่มีเรียนเ ร, นเรนแล้วทําอะไรไม่เป็นพอจบออกมาแล้วค่อยไปฝึกงานเราเลยจะไปสู้เขาเราจะไปเล่นเกมเขาแต่เราเล่นไม่เป็นเพราะครูเลือกเล่นดีไหมไ ม, ไม่เลือกไม่เล่นไงก็ถึงเลิกมันมาอยู่ที่นี่แต่ที่นี่เราหยุดเกมไม่ได้ทั้งโลกเป็นอย่างนั้นเราต้องยอมรับมันต้องรู้เท่าทันมันใช่ไหมตอนนี้ลูกหลานเราเนี่ยเป็นเหยื่อ ผู้ใหญ่ที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนอกก็เห็นมันดีไงเอ้ยบ้านเมืองมันเจริญมันมีความดีไงมีสวัสดิการดีมากเขาก็หวังดีไงจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาใช้ที่เมืองไทยทําไมทํามาพัฒนาเป็นยังไงยังไหม พ, พ่อครูอยู่ที่นี่ยี่ห้าปีตอนหนุ่มๆ น, นะคนที่บุคคลในดวงใจ พ, พ่อครูนั่นคือมหาธรรมค า, านทีนะเป็นคนมีอุดมกา ร, พ, รพ่อครูก็แรง แต่ตอนนี้ไม่ใช่สงสารท่านท่านในทางโลกท่านเป็นวีรบุรุษนะเป็นนักเรียนนอกแต่ไปอยู่กับแบบสัมมทะสู้แบบนั่นแหละสู้แบบเขาเรียกว่าอาหิงสาจริงๆไม่ทําให้ใครเดือดร้อนใช้ก็นั่งอดข้าวของฉันใช่ไหม น, นั่นแหะอหิงสานี่มีแต่ภาษาพูดอหิงสาทําให้คนเดือดร้อนแล้วสุดท้ายเขาขับไล่ ผู้บุกลุกคืออังกฤษนะพวกลาอา น, อนิคมเนี่ถอยชนะแล้วไงอีกไม่กี่วันมหาธรรมการทีก็ถูกคนอินเดียฆ่าตายหไหแล้วตอนนี้ประเทศอินเดียยังมีสงครามกลางเมืองอยู่มันไม่จบหรอกโลกกระทำแปดอีกกี่ล้านปีมันก็เหมือนเก่านะตอนนั้นพ ก, กูอยู่ทางโลกไงพ ก, กู มีมาหาธรรมกัทีเป็นบุคคลในดวงใจแต่ลังจากเราเบิดปุ๊บเราสงสารท่านมันเป็นแค่อุดมการมันไม่ใช่ธรรมะมันไปฝืนกฎแห่งกรรม น, นะธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละธรรมะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรฟังแล้วงงไหม ธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะมันไม่มีตัวหนังสือมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วถามว่าในป่านั้นคืออะไรต้นไม้นะัต้นไม้เขียวเขียวฝรั่งเรียกว่าทรีคนจีนเรียกว่าสู้เห็นไหมสมมติชื่อไม่เหมือนกันเลยลไ้ต้นไม้ที่เราเรียกมันอยู่ล้านปีได้ไหมไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้ามันเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ชั่วคราวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายเห็นไหมธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะแต่ตอนนี้ธรรมะเป็นเป็นดุนดนเป็นตัวหนังสือเป็นเล่มเล่มเป็นหมวดวิชามันเลยไม่ใช่ธรรมะมันก็เลยไปนั่งทะเลาะ ก, กันเอาตัวหนังสือมาทะเลาะ ก, กันว่านิพพานเป็นอัตตาเรนตตาเอาเอารัธรรมนูญตีความไม่เหมือนกันเห็นไหมเพราะเราหลงว่าไอ้ตัวหนังสือนั่นคือธรรมะ นะเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสแสวงหาที่อินเดียหรือภูเขาฮิมาลัยธรรมะมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวเฉพาะญาติธรรมมาอยู่ศูนนี้อยู่ง่ายๆเพราะครูมันง่ายๆเลยแต่พออยู่แล้วทำไมยากจังเพราะครูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเก่าเอา้าจะเหมือนเก่าได้ยังไงมันก็แก่ลงทุกวัน เห็ไอ้ร่างกายมันเปลี่ยนศูนย์เนี่ยกายภาพมันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนสำคัญว่าเปลี่ยนไปในทางที่เลวลงหรือดีขึ้นเอ้ยมันไม่ดีสำหรับฉันคนมาเยอะๆมันวุ่นวายไงนะมันไม่ดีนั่นแหละมันไปเข้าใจเราเข้าใจเองเพราะเราให้ไม่ได้ไอ้คนที่ให้ไม่ได้ก็คิดแบบนั้น พ่อคูจะหาเรื่องทำไมตอนไม่มีไฟฟ้านี่สบายมากเลยไม่ต้องมีใครมากระทบพ่อคูไม่ต้องเสียเวลามาพูดไงสบายแล้วไงถ้าเราจิตสบายกนะารให้มันไม่มีขอบเขต จ, จำกัดมันไม่มีเวลาพอหรือไม่พอให้จนที่ลมหายใจมันไม่มีมันเป็นหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะใช่นั่นแหละ ที่นี่มีศูนย์จิตใจสุนทรมงพกพระครูใช้เวลาสี่ปีที่ผ่านมาพัฒนาศูนย์จิตใจออกไปบรรยายนะไปชี้ทางพระครูคําตามคําสอนพุทธเจ้าพราะครูไม่ได้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาพูทเจ้าไม่เคยดำํำริให้สาวกจาริกออกไปประกาศศาสนาแม้แต่หนึ่งครั้งศาสนาเกิดขึ้นทีหลังพระองค์ดํำริให้สาวก จะลิกออกไปประกาศพรมจรัญชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดตอนนี้เราไปประกาศศาสนาไปแข่งกับศาสนาอื่นเขามาถึงทะเลาะ ก, กันทั้งโลกแล้วเราเข้าใจศาสนาต่างกันในพุทธเองก็มีหลายนิกายหลายลทัทธิทุกคนเชื่อไม่เหมือนกันเห็นไหมไอการที่จะไปสอนให้เขาไปเปลี่ยนชีวิตเขา เขาเป็นฝรั่งให้เขากลายเป็นคนไทยเขาเป็นขมิ้คนไทยแล้วเปลี่ยนวัฒนธรรมไมลักคําว่าศาสนามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องโครงสร้างวัฒนธรรมประเพณีมีอะไรเยอะแยะเลยมันไม่ใช่ไปเปลี่ยนชีวิตเขาทําไมเขาจะนับถือศาสนาไหนก็เรื่องของเขาเป็นวัฒนธรรมประเพณีเขาแต่เรามีหน้าที่ชี้ทางพ้นทุกข์ให้เขาแล้วทางพ้นทุกข์ม่ไอยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิมะอะไรมันอยู่ในจิตเราเรียบร้อยแล้วบางคนต่อว่าพระครูพระครู ที่นี่ไม่เทเยอทยานมากเลยพูดแต่เรื่องนิพพานพราะครูก็งงเอ๊ะทาไมพูดนิพพานบอกทะยอทยานเขาบอกสวรรค์มันก็สูงเลยน่ะนิพพานมันสูงไปอีกเนี่ยคุณกล้าคิดเหรอโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ยิ่งเป็นพระผู้ใหญ่มาเนี่ยนะอุ้ยุคนี้ไปพูดเรื่องนิพพานเนี่ยอาตมาไม่เอาพราะครูก็งงใหญ่เลย พุทธสารทีกชนเราใครปฏิเสธนิพผานแล้วเนี่ยคุณไม่เข้าใจคําสอนพุทธเจ้ า, าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีตกใจแล้วเห็นไหมสอนให้เราเป็นอะไรไอ้ น, นี้พ่อครูเกิดขึ้นเนีไอ้คำนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนหลายปีก่อนยี่สิบปีก่อนอยู่ๆครูที่โรงเรียนพิบูลเนี่ยมัธยมเนี่ยอยู่ก็มาเชิญพ่อครูไปสอนเขาเป็นอาจารย์จริยธรรมเนี่ ทีนี้พอ อ, อเขาไม่ยอมเขาก็หลอกพวกครูไปไปไปดูสถานที่แล้วก็หลอกพวกครูเข้าห้องพอ อ, อเขารองพอ อ, อก็นั่งครูผู้ใหญ่สี่ห้าคนนะเหมือนสอบเลยว่าเธอรัฐที่อะไรนะพวกครูก็บอกว่ า, าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีรองพออเ้าขึ้นเลยไม่สอนเป็นคนดีแล้วสอนอะไรแรงมาก พวกนี้มันยิ่งเรียนก็นยิ่งอังอตราเยอะผมไม่ได้ขายสินค้านะผมมาให้นะคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรเนะขาบอกว่าไม่สอนเป็นคนดีสอนให้อะไรบอกสอนให้พ้นทุกข์าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วเป็นนะี่คืออัตรานี่ไอ้คนดีกํากลังทะเลาะ ก, กันไงนี่คนดีทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยกลังทะเลาะ ก, กับคนชั่วไงศาสนาพุทธสอนให้เราทาดี ไม่ติดดีทำแค่พอดีไม่ใช่เป็นคนดีแล้วก็ละชั่วทำดีก็ทำอยู่แต่ความชั่วก็ยังไม่เลิกหลวงพ่อชาก็พูดเรื่องนี้ทำดีแต่ไม่ละชั่วมันจะไปไหนเห็นไมทำดีเหมือนเราอาบน้ำสะอาดแล้วแล้วไปทำให้มันเปืดด้อนอีกมันก็ดึงมันชักเขยือยอย่างนี้มันจะไปไหนล่ะศาสนาพุทธ ถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานก็คือสอนให้เราพ้นทุกเป็นทางทางเดียวจบอยู่ที่นิพพานถ้าพุทธศาสนิกชนเราใครปฏิเสธนิพพานแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปเสียเวลาการปฏิบัติศาสนาทำไ ม, ไม่ได้เกิดมารักษาไอ้รูปแบบศาสนาแล้วไปทะเลาะ ก, กันแบบนี้นะตั้งแกงตั้งกวนตั้งแบรนเนมแข่งกันอย่างนี้นะพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ถ้าพระพุทธองค์เนี่ยอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะอันนี้เราพูดเป็นลักษณะเป็นนัยยะว่าถ้าพระองค์กลับชาติมาเกิดพระองค์จะจําศาสนาพระองค์ไม่ได้นะเฮ้มันศาสนาอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นเปลือกกับพีนะเปลือกกับพีมีประโยชน์ต้นไม้นี่มีทั้งเปลือกกับพีมีทั้งแก่น เปกะพีก็มีประโยชน์แต่ตอนนี้เปือกกระพีมันเปือกกระพีปลอมมันระบายสีหมดเลยจนจําเปือกกระพีต้นไม้ไม่ได้แล้วมันควรจะเข้าแก่นได้ยังไงแต่ต้นไม้เราตัดออกมานะต้นใหญ่ๆนี้ตัดออกมานะแก่นมันแค่นี้เปลือกกระพีแค่บางๆมันสําคัญระดับหนึ่งแต่ไม่สําคัญแต่ตอนนี้เราอยู่แค่เปือกกระพีเป็นประเพณีวัฒนธรรม เรามีศาสนาศาสนิตพุทธศาสนิกชนพวกคุมาเมกาใหม่ๆเนี่ย 97% ในเมืองไทยแต่ตอนนี้าศาสนาพุทธเราพัฒนาจนเหลืออยู่85 85ยังเยอะอยู่นักเกินครึ่งเรามีวัดวาอารามทุกหมู่บ้านตำบลผูาา้ใจดีคนทั้ง 85% ถ้าโหวตเสียงกัชนะแล้วแล้วตอนนี้สังคมเป็นยังไงทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่เราพุทธเหรอ ถ้าเราเข้าถึงแก่นแล้วเนี่ยไม่มีทางทะเลาะ ก, กันเห็นไหมเขาก็มันชั่วไงมันผิดไงเอาถ้าไม่มีคนผิดคุณจะให้อาภัยใครคุณลองไปให้อาภัยคนที่เขานั่งเฉยเยไม่ถูกไม่ผิดเนี่ยเขาจะด่าคุณด้วยคุณจะมาให้อาภัยฉันทำไมมันไปกันใหญ่แล้วเนาะปิดไม่ไม่ระวังติดบ่วงไอ้แข่งขันเสรีไง คนในพุทธในทุกศาสนาเนี่ยโดนครอบหมดตัวศาสนาเองตัวคำสอนทุกๆศาสดาเนี่ยมันเป็นสัจธรรมแต่ท่านเปล่งวาจาออกมาไม่เหมือนกันต่างภาษาต่างกันแต่เราเข้าไม่ถึงเราติดแค่เป็นประเพณีวัฒนเปืดอกับพี้แล้วก็ไปเอาไอา้อวิชาไอ้ความรู้แบบวัตถุนิยมเข้ามาครอบเราหมดเลยไง ศา ส, สนาไม่ได้เสื่อมแต่คนในศาสนามันเสื่อมพราะครูไม่กังวลหรอกนะศา ส, สนาพุทธอาจจะหมดไปจากโลกนี้ไม่ใช่อาจจ ะ, ะพุทธเจ้าตัดไว้เองว่าจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีแต่มันถึงจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรมาเป็นยุคภาษีอายุคอะไรก็ช่างที่ว่ากันไปนั่นละ่ะมันก็เป็นแค่ชื่อเรียกแต่คําสอนของพระองค์เนี่ย อีกกี่ล้านปีใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่คำสอนนั้นไม่ใช่รูปภาษาแบบนี้เไมพุทธวจนะพุทธวจนะเอาถ้าคำสอนพระเจ้ า, ายจู่เป็นพุทธวจนะจริงๆนบะพวกคุณเป็นใครบางอาจไปเปลี่ยนคำสอนพระองค์อันนี้เล่มรุ่นเก่านะร้อยเล่มตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสี่สิบห้าเล่มแล้วมีเวอร์ชั่นเล็กๆหน่อยพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นเป็น เป็นนั่นเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้มันสอบง่ายหน่อยหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคำสอนเหล่านี้คำพูดเหล่านี้มันเป็นพุทธวจะนะแล้วเนี่ยพวกคุณเป็นใครบางอาจไปเปลี่ยนคำสอนของพระองค์นะมันถึงจุดที่ตกต่ำเสื่อมเพราะเราไม่ระวังกันเราถูกความรู้ผิดเหมือนบอกไว้นะอันนี้ก็ ชั่วโมงหนึ่งรอดตัวไปยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยเมื่อกี้ไม่ชี้ดิมโจทอะไรดูว่าไม่ชี้ดิมทุกเช้านี่เขาต้องไปสอนเด็กนะปฏิบัติคือเด็กที่มันนอกเป็นอย่างนี้แข็งกระด้างแข็งกระด้างแล้วก็ซึมเศร้าบางคนซึมเศร้าเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคที่หนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านเขาขาดความอบอุ่น ทีนี้พอล้เข้าโปรแกรมนี้เข้าไปแล้วนี่โลกซึมเศร้าหายไปเป็นปิดทิ้งเลยสมาธิยาวขึ้นคือเด็กมันชอบเคลื่อนไหวแล้วก็ที่เป็นอุบายไม่ใช่เป็นนั่งกดมันไม่นั่งสมาธิก็เหมือนตอนนั้นมันนิ่งอยู่นะมันมันกดไว้เฉยๆนะเราให้เขาปลดปล่อยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันสมาธิเขายาวขึ้นพัฒนาการคือเด็กมันนอกนี่ต้องสอนให้เขาอ่อนลง เด็กในเมืองอ่อนแอมากทำอะไรก็ไม่เป็นนะยกตัวอย่างนอะทำไมตอนนี้พ่อครูพัฒนาสนามกีฬาพ่อครูพูดอะไรเพราะว่าพ่อครูจะเอาการกีฬานี่ยเป็นเป็นวิชาเป็นเทคนิคเป็นเครื่องมือฝึกวินัยมีความรับผิดชอบมีขันติมีวิริยะตอนนี้สังเกตไหมกีฬาไทยพัฒนาไอ้ที่มันถึงระดับโลกอย่างเอ่อบอลเล่บอลหญิง นะเป็นแบบท็อปเทนของโลกเลยนะตอนนี้นะเขาทำสารคดีหนึ่งพอเขากลับมาเยี่ยมเมืองไทยเขาไปเล่นดีกอะไรเป็นอาชีพเลยเนี่ยนะเขาก็กลับไปเยี่ยมหกเจ็ดคนที่ที่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวหลักนะคนบ้านนอกทั้งนั้นเลยคนกรุงเทพคนหนึ่งแม้กระทั่งไม่มีเพราะกรุงเทพเอาแค่เวลาไปอ่านหนังสือไงพออ่านเรียนจบปริญญาตรีทูบางทีก็ยังเดินหางานทาถ้าพ่อแม่ไม่รวยนะ แต่ไอเด็กมันนอกพวกนี้เนี่ยมันเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วไงเห็นไหมคือเด็กชนนบทเนี่ยจุดแข็งก็คือเขามีแข็งแรงมากเขาแข็งแรงมากแต่เรื่องสมองเรื่องความคิดเนี่ยอย่าไปเล่นเกมนั้นแต่ทีนี้ไอหลักสูตรการศึกษาเนี่ยเขาก็บีบให้เราต้องเรียนเจ็ดแปดหมวดวิชาแล้วประเมินโอเน็โอเน็ ate, ตมันก็ประเมินไอพวกวิชาเหล่านี้ สมศก็มาตรวจก็ประเมินแบบนี้คือตั้งโจทย์ผิดแล้วก็สอนผิดแล้วก็ประเมินผิดเด็กมันนอกเป็นเหยื่อหมดเด็กมันนอกเป็นเหยื่อหมดญาติที่ทำก็ต่อว่าพอคุณได้ยินมาเออเด็กที่นี่บางคนมันอ่านหนังสือไม่ออกอะไรๆว่าดีแล้วมันจะได้ไม่ถูกฝรั่งหลอกเห็นไหมคนอ่านหนังสือก็อ อ, อกนี่ยกำลังทะเลาะกันที่กรุงเทพนั่น คนดีทำอะไรก็ดีคนเก่งทำอะไรก็เก่งทำชั่วก็เก่งไอ้ที่คอร์รัปชันกันนั่นมีคนมีความรู้เท่านั้นแหะถ้ามันไม่รู้มันคอร์รัปชันไม่เป็นดีแล้วให้มันาอยู่กับเราเนี่ยมันไม่มีคดีความมันปลอดภัยญาติทำหวังดีคนหนึ่งเนี่เขามาเห็นทีน่นี่เขาจะร้องไห้เลยนะมาเห็นเด็กเรากินข้าวนะไรเนี่ย เขากลับไปอุงเทปเนี hmm. yeah. Yeah. Yeah. ่ยเขาส่ง hmm. ว yeah. yeah. okay. ิตามินมาให้เราถุงหนึ่งเพราะกลัวคุณเข้าใจผิดแล้วเขาไม่ใช่ขาดสารอาหารเขาขาดอาหารเห็นไหมคนเรามันเข้าใจไม่เหมือนกัน่ะแต่ตอนนี้มันเอาหลักสูตรเดียวมาบังคับคนทั้งประเทศไงเพราะบอกไม่ให้มันเล่นกีฬากีฬาก็เป็นอาชีพสตว่าเขาไม่ถึงขั้นเป็นแชมป์ประเทศไทยแชมป์โลกกรช่างเขาก็เป็นโปรเป็นครูสอนกีฬาก็เป็นอาชีพหนึ่ง แล้ให้มันมีวินัยเป็นนักกีฬาซึ่งมีคุณธรรมนี่คือการศึกษาไงตอนอยู่อเมริกานะพระครูมีร้านอาหารนะเด็กสักเดียนไทยพวกตำรวจร้อยตีอะไรเนี่ยไปเรียนปริญญาโทต่อก็ไปทำงานที่ร้านนะเห็นไหมไปทำงานที่ร้านทุกคนขับรถสปอร์ตเพราะรถอเมริกาถูก แต่พวกคุครูมีมีเพื่อนรุ่นน้องคนนึงเป็นศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์คนไทยนะเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยที่ไมอามี่นะพวกครูก็พาเขานั่งตอนนั้นพวกครูปฏิบัติแล้วเนี่ยก็นั่งคุยกันไงเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นศาสตราจารย์แล้วไงแต่เขาขับรถยี่ยห้อต่ำกว่าไอเวตเตอร์เวส ต, ตร์รอ คืออเมริกาชัดเจนมากถ้าเราขับรถเที่ยวนะไปตามหมู่บ้านนะหมู่บ้านขนาดนี้ค่าเช่าประมาณนี้เขาจะใช้รถยี่ห้อประมาณขนาดนั้นเพราะว่าเขาเขาเขาแผนชีวิตเขาดีมากมีเงินเดือนแค่นี้จ่ายค่ารถแค่นี้ค่าบ้านแค่นี้แล้วก็ไปเอ็นจอยแค่นี้เนี่ยเขาเขาพอเพียงจริงๆแล้ววัดจากนี้ได้เลยนะอ่าแต่ศาสตราจารย์เนี่ยไปอยู่ในหมู่บ้านที่ต่ำกว่าพนักงานเสิร์ฟ เราจะไปเรียนทำไมถ้าพ anyway ูดถึงเรียนเพื่อชีวิตเพื่ออาชีพอาชีพนล้วมันหมายถึงเงินเด็กมันนอกเล่นกีฬาดีกว่าก็เป็นอาชีพได้ไงแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยจะไปเล่นเกมท่องจาท่องจาเนี่ยคนในเมืองเนี่ยท่องจำจันถึงสุกไม่พอพ่อแม่มีสตังไงก็ไปจำเสาอาทิตย์อีกท่องจำอีกไปเรียนพิเศษไง แล้วเด็กมันนอกมันจะเอาไหนที่นไปเรียนพิเศษมาเรียนกับเรากลับไปบ้านพ่อแม่มันก็อ่านหนังสือไม่ออกแล้วใครจะสอนมันเราพูดไทยมันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างแต่กลับไปบ้านพ่อแม่ก็พูดลาวแล้วมันจะไปเก่งได้ยังไงบอกไม่ต้องเก่งดีแล้วเก่งแบบนั้นไม่เอาให้เ ข, เขาคิดเป็นพูดเป็นทาเป็นรู้จักรับผิดชอบตัวเองกับสังคมแต่ที่นี้ง่ายไหม ครูเราไม่กล้าทําเพราะครูเราก็ถูกสอนมาอย่างนั้นนะพอเขามาประเมินเขามาตรวจแล้วเนี่ยครูเราถูกเล่นงานนะบอกแก้วขอโทษญาติธรรมหรือว่าอะไรพเพราะครูออกไปบรรยายสี่ปีนะมีหลายงานที่เขาจองตัวเพราะครูบอกขอโทษหยุดก่อนนะเรามาล้างบ้านเราก่อนนะตั้งแต่เข้าพรรษา น, นี้แหละพ่อครูก็เลยมาจัดแจงเรื่องความพร้อมก็บอกให้ดยุบายครูแล้วว่าเอากีฬา พูดเฉยๆจะไม่มีเครื่องมือให้เขาแล้วมันจะไปเล่นที่ไหนล่ะสร้างสร้างสร้างของนอกกายทั้งนั้นรักชาติไม่ต้องไปทะเลาะกันนะรักชาติมาอยู่กับพ่อครูยุวชนเยาวชนคืออนาคตของชาติสร้างชาติสร้างยุวชนเยาวชนไม่ต้องไปทะเลาะกันแล้วคนที่ยังทําใจไม่ได้เนี่ยอย่าท้อถอยอย่าบ่นพ่อครูเปลี่ยนไป เปลี่ยนสิมันแก่ขึ้นแต่ใครเปลี่ยนพ่อครูไม่ได้คาว่าพ่อครูคือตัวข้างในข้างนอกก็เป็นอย่างนี้กายภาพมังก็เป็นนี้เราต้องให้ได้ถึงเราให้แล้วเราจะวุ่นวายหน่อยนึงนั่นแหละได้อา น, นิสงส์แต่เราเองเนี่ยต้องอย่าเปลี่ยนนะคนที่เปลี่ยนยเนี่ยพ่อครูไล่บี้นะอที่พักอาศัยมีอะไรขนเข้ามาเยอะๆนั่นนะพวกเพวกเธอเปลี่ยนไปแต่พ่อครกูก็ไม่ได้ว่าอะไรฝึกมันต้องถอยหลังต้องก้าวหน้า คำว่าก้าวหน้าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังสมมุติว่าเราเอาศีลเป็นปตัววัดเนี่ยเริ่มจากเรามีศีลห้าต้องพัฒนาจนถึงศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกอันนี้ไม่ใช่ศีลเราหายไปทีละข้อทีละข้ อ, ขอเห็นไหมใครเปลี่ยนไปพราะครูไม่มีวันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วส่วนข้างนอกนี่มันต้องเปลี่ยนมันต้องแก่ลงทุกวัน เนี่ยอยู่ๆเข้าพรรษานี้ก็บอกปุกถามทุกวันอะพ่อครูไม่ชีละไมจะกลับแล้วนะจะตัดผมไหมแล้วตอนนี้มันไม่ตัดนะมันเป็นครั้งครั้งยี่สิบห้าปีมันเป็นอารมณ์อะไรที่มันเปลี่ยนเอะชาติดึงให้มันดูหน่อยว่าตอนแก่แล้วเนี่ผมยาวมันเป็นยังไงมันก็เริ่มเห็นนะนะสมัยก่อนไม่เคยเห็นผมขาวอย่างนี้นะเห็นไหมทีนี้เราก็สมว่าเราไปพิจารณาว่าเออ ตอนนั้นเราปัดผมสั้นเพื่อมันเรียบง่ายไม่ต้องรักษามันแต่เราต้องรบกวนไม่ชีไงก็ต้องตัดผมให้เราไงใช่ไหมตอนนี้ลองไม่ตัดดูเป็นยังไงบอกปุ๊บเดี๋ยวถึงเวลามันตัดมันก็ตัดแห ล, ละแต่พอครูเปลี่ยนไปไงผมมันขาวขึ้นไงแล้วมันยาวขึ้นไงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในนี้เนี่ยถามว่า มันเร็วลงตรงไหนมันเป็นการให้ที่มากขึ้นส่วนคนที่ให้ไม่ได้โดนกระทบบ้างอะไรบ้างเห็นไหมก็ต้องฝึกสิไม่ฝึกพอพอพอเขามีฉันก็มีด้วยเห็นไมเราถอยหลังแล้วเราอ้างตามกิเลสนะมีบางคนก็มาบอกพรอครูพรอครูนี่ทางธรรมนั้นทางโลกไงแรงมากพ่อครัวแล้วทางธรรมนี่ทางโลกนี่มันตายไหม เขาก็นั่งงงเนาะถ้าไปหาเงินได้มีเงินสิบล้านอายุหกสิบถ้ามีร้อยล้านอายุเจ็ดสิบนะถ้ามีพันล้านอายุแปดสิบถ้าอย่างนั้นน่าจะไปอยู่ทางโลกให้มันเป็นสองสามร้อยปีเลยเนาะอายุเนาะทางโลกมันก็ตายไงทางเดียวกันอย่าไปอ้างทางโลกทางธรกิเลสมันอ้างเพียงแต่ว่าการใช้วิถีชีวิตมันต่างกันเท่านั้นเองรักชอบอย่างไรก็นิมนต์ ไม่มีใครว่าหาอะไรแต่ก่อนจะว่าพ่อคูน้อยน้อยห น, น่อยเนา ะ, ะบางทีรักพ่อคูมากมเลยนะบางคนรักพ่อครูนะจะเอาอาหารเสริมมาให้บอกเออแค่คิดเฉยๆก็ได้บุญแล้วเนี่ยไม่ต้องอย่าอย่ามาให้ร่างกายนี้มันไปติดเห็นไหมอาหารเสริมมันตกมาบนฟ้าเหลอมันต้องใช้เงินซื้อเอาหมดนั่นแหละทุกเพราะต้องการบำรุงตัวเองบำรุงตัวเองเนี่ยเราจะรักษาตัวเองทําไมรักษาได้หรือพ่อคูวันนั้นที่บอกว่า ใครเป็นโลกยกมือขึ้นเป็นหมดละนะมีญาติธรรมเรานะตนสองวันนี้เนี่ยไปขออนุญาตวัดป่าที่นี่เนี่ยเพราะที่นี่ออกหนังสือออกรับรองได้แต่มันของกระทรวงวั ฒ, ว ฒ, วฒนธรรมอะไรเนี่ยนีไม่ได้เขาต้องกฎเกณฑ์ก็ต้องอะไรอะไรเนี่ยต้องไปให้วัดอะไรเนี่ยเนาะบังเอิญครูบาอาจารย์นั้นน่ะ เ, เคยมาที่นี่ตั้งแต่เราเปิดศูนย์วันแรกเพราะครูนิมตนทันมาเทศอยู่ท่านก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ ก็เม way, all, really, <te> culture, species, hmm ื่อกี้จะพูดอะไรพระครูก็ตัดนะเนี่มันตัดเลยนะมันเป็นเรื่องนอกกรอบเราแล้วไปพูดถึงเรื่องคนอื่นมันกัดมันตัดแหละคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตกลายเป็นโอกาสเราจะได้เต็มเต็มเพราะเราไม่ชอบเปลี่ยนเราไม่ชอบให้เลยพอมันเปลี่ยนแล้วเราก็ว่าอุ้ยเราหงุดหงิดเราสูญเสียความอิสระภาพแบบคนเห็นแก่ตัวมากๆเลย และบางคนพูดกระทั่งแม้กระทั่งว่าพ่อครูนี่ลำเอียงถ้าพ่อครูยังมีอคติอย่างนี้เหลอมันอยู่ที่นี่ยี่ห้าปีไม่ต้องไปหาเงินกับเขานี่มันอยู่ได้เหรอกล้าคิดอย่างนั้นได้ยังไงฉันปลูกต้นไม้ก็ผิดเขาเขาปลูกต้นไม้ก็ก็ถูกอันนี้ได้ยินหนาหูแล้วนะเหมือนตอนไม่ชีจี้จี้จะบวชเพื่อนร่วมรุ่นเขาจะบวชอันนี้ก็ขอขอข อ, ขอบอกไม่ให้บวช เขาก็มองหน้าเราเขาก็เพื่อนกันจี้จี้บวชได้ฉันไม่บวชได้จี้จี้นี่ยบวชได้แตะเธอลงบวชแล้วมันจะเสียแล้วจริงหรือเปล่าบวชไม่กี่วันนะ่ะมันคิดว่าบวชแล้วเห็นไหมเขาประเคนอาหารไม่ต้องทํางานเห็นไหมก็อยู่ไม่ได้ไงคนนี้ปลูกต้นไม้เขาได้แต่คนนี้ปลูกแล้วมันเสียปลูกเพราะกิเลดแอนจอยมีความสุข พอกูมองเข้าไปในจิตนะอันนี้จะไปมองแบบพางโลกเรื่องสิทธิบาปกรรมนะยังเคยยกตัว อ, อย่างว่าบางคนเห็นพอกูผลักเด็กคนหนึ่งล้มลงไปทุกคนชี้ตัวเลยนี่นี่นี่ตำรวจมาเนี่ยเนี่ยไอ้เด็กขึ้นมาก็ชี้เลยคนที่ผลักเอาไปติดคุกเนี่ยถามว่าทุกไหมไม่ได้ทุกทำไม งูมันจะกัดเด็กคนนั้นน่ะไม่มีใครเห็นเลยเพราะคูช่วยชีวิตเขาไว้ถือว่าบางครั้งจะสร้างวาจีกรรมกับจิตที่บริสุทธิน่ะเหมือนเราเฟี้ยงบุ่งมแมลงขึ้นไปบนอากาศเนี่ยถ้ามันไม่ชนอะไรมันจะมาถึงตัวเองนะทําบุญกับจิตที่เป็นอริยะเนี่ยที่บอกว่าบุญมันสืบเนื่องเพราะเขาไม่เอาเข้าพวกเข้าหอแล้วก็ทําบาป ก, กับพระอริยะนั้นโดนสองเด้งนิ่งเฉยตําลึงทองถ้าไม่เห็นอะไรชัดเจน แม้กระทั่งเห็นจริงๆแม้กระทั่งนั่งกรรมาฐานอู้เห็นนิมิตบางคนนั่งแล้วอู้น้ำตาไหลเลยไม่อยากจะออกเลยไม่ใช่น้ำตาไหลโศกเศร้านะปิติพอหมดเวลาแล้วมการวกราพ่อครูเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี้ไม่อยากออกมาเลยทาไมเห็นพระพุทธเจ้ามาโปรดลอยมาเป็นตัวเลยวะเป็นแบบไหนเป็นแบบพระพุทธรูปถามว่าเคยเห็นเจ้าชายศิลธรรมไหมมันหลอกไง บางครั้งจยเชื่อความคิดตัวเองมากอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากมันเป็นบาปกรรมแล้วก็มันจะไม่ก้าวหน้าบางทีครูอาจารย์พูดอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อก่อนจะตัดสินใจอะไรต้องมององค์รวมทั้งหมดเลยว่าเราได้อะไรเราเสียอะไรศูญย์ทำอะไรอยู่ระวังเราเห็นจริงๆ แต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงเราเห็นถึงเจตนาเขาไหมเห็นไหมไม่มีหรอกสมัยก่อนเนี่ยไฟฟ้ า, าก็ไม่มีด้วยอย่ว่าแต่สร้างอาคารทาสีทาเสริอเลยเนี่ยไม่มีแต่ตอนนี้ทำไมมันมีเปลี่ยนไปไงการที่เราจะให้ใครเดียวต้องถามว่าคนนั้นเขาพอใจอยังไงไม่ใช่ว่าเราพอใจอยังไงถ้าให้แล้วฉันมีความสุขฉันจะให้ถ้าไม่ให้เรามีความสุขฉันก็ไม่ให้อันนี้ไม่ใช่บุญนะ อันนี้เป็นบุญกิริยาเป็นกิริยาในการทำบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยมันมีอามิตรไอคนที่ให้ไม่ได้ก็อ้างนวนอ้างนี่พระครูห่วงสงสารพวกเราคนที่คิดแบบนั้นนะขยันคิดจังเลยขยันคิดยังไม่พอนะถ้าขยันคิดเฉยเฉยเนี่ยอย่าขยันพูดคิดปุ๊บมโนกรรมพูดปุ๊บวจีกรรม ล้วไปพูดให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดด้วยเนี่ยเกิดความสับสนในกายกรรมอีกครบสามเด้งเลยไม่ได้อะไรเพิ่มกรรมอีกพระอาจารย์แหลมเองเนี่ยวันนั้นพรอครูเรื่องบรรยายเรื่องปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยมันเป็นสองช่วงนะช่วงหนึ่งน้ำอาบเราก็ไม่พอเลยบ้านอาหารเจาะแล้วเจาะ อ, อีก น้ำใช้ ย, ยังไม่พอว่าเออ เ, ออเออเรื่องปลูกดอกไม้ดอกอะไรอย่าเพิ่งไปปลูกเนียนะเออถ้าจําเป็นต้องปลูกอ่ะเออปลูกไอ้ผ ล, ลไม้ยืนต้นที่มันกินได้แล้วมันเป็นร่มเงามให้ออกซิเจนเรา่ะถ้าจําเป็นนะถ้ายังไม่จําเป็นวันอย่าเพิ่งปลูกถ้าเมื่อไหร่เราเอาน้ําเขื่อนขึ้นมาได้แล้วเนี่ยอย่าขี้เกียจปลูกนะมันเป็นสองช่วงแต่ที่พ อ, อน้ําเขื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่จําเป็นอย่าไปปลูกไอ้ดอกไม้ที่แอนโชย กิเลสทั้งนั้นเอาได้ทำไมไม่ชี้ดิมเขาปลูกได้อะไรอาจารย์แหลงว่าเอ๊ะวางตัวไม่ถูกวันนั้นพ่อคูเห็นจิต ท, ท่านพ่อคูลงไปกราบท่านที่กุฏิเลยพระอาจารย์แหลงนะเราทําเพื่อให้เราไม่ได้ทําเพื่อเอาแต่คนบางคนพ่อคูปลาลมเขาเนี่ยเขามีอามิตรถ้าพ่อคูไม่ปลาลมแล้วเนี่ยเขาไม่ก้าวหน้าไม่ใช่เลือกที่รักมาที่ชังพ่อคูไม่มีงานทํานะ ค่อยมาจับผิดคนอื่นเลยจีบมันไม่บ้าขนาดนั้นนาะอันนี้อย่าว่าจะไม่แน่ใจอย่าพูดถึงจะแน่ใจก็อย่าพูดไอ้ที่เราแน่ใจใจเรามันหลอกไงคิดสร้างกรรมตลอดเวลานะ่ะแทนที่จะญาติธรรมเข้ามาที่นี่แทนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้เขานะโอ้ ทำไมมาอยู่แบบสมัทาได้จังเลยไม่ใช่ไปอวดมั่งอวดมีเขาบอกว่าเขาหนีเสือป่าจระเข้บ้านฉันมีหมดแล้วยังมาเจอที่นี่ยังมีอีกเนี่ยมันยิ่งใหญ่นักเหลือหน้าละอายอ้างว่าเขามีฉันก็มีด้วยนะไม่ก้าวหน้านะอย่างพ่อครูก็ปั้มกับคนชุมชนนี่มาหลายปีเท่าล่ะนะเพราะ เขาไม่ได้ผิดอะไรนะนวิถีเขาเนี่ยเาไม่มีสถานที่สารเริงลมไม่มีเอนเตอร์เทนนะชีวิตเขาก็คือเล่ากับการพนันบางทีวันวันพระไปไหนเฮี้ยวข้าตาหียวแข่งบอกไปเอาบุญไปเอาบุญที่วัดบางทีก็ไปถือศีแลแปดวไปนั่งนินทากัน <c oughs> บางคนบอกไปรับศีลพระท่านก็แบ่งศีลให้เราห้ารับศีลห้าเดินไปถึงครึ่งทาง เพื่อนควักมือมาเฮ้ยเอามาขวดหนึ่งดูดไปสินหนึ่งไม่เป็นไรยังมีกำไรสี่สินกับบ้านน่สินมันเป็นแบบนั้นไงทีนี้เราก็ต้องทำใจไงนะพกครูหลายปีแล้วอยู่ที่นี่ก็เรียนรู้กับชุมชนแต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะอย่าเอาความคิดเราเอาตรร ก, กะที่เราเรียนมาเนี่ยไปคิดใช้ๆชกับชุมชนไม่เหมือนกันหลายปีก่อน ศึกษาที่การอำเภอเคยมาปฏิบัติเขาเป็นโรคภูมิแพ้เขาก็หายเขาก็เคารพบนับถือพระครูปีนั้นเขาเชิญพระครูไปบรรยายที่ของเจียมกระทรวงศึกษามาอบรมผู้บริหารการศึกษาที่จังหวัดนี้ทั้งหมดนะอยู่ที่ของเจียมสองวันอยู่ๆก็มันเชิญพระครูบอกไปบรรยายวันหนึ่งสองชั่วโมงตอนเช้าตั้งแต่เริ่มจากหกโมงถึงแปดโมง พระคูบอกแน่เหลือแน่แน่ๆนก็ไปก็ไปเราต้องออกจากที่นี่ตั้งแต่ตีห้าพอ6กโมงเป๊ะพักคุก็ขึ้นไปนั่งตรงที่เขาจัดไว้ให้นั่งผู้บริหารการศึกษานะคุยกันไม่ยอมหยุดเลยแต่งูตรกันหมดล่ะพักคูก็นั่งดูเอ้ยคงไม่ได้เรื่องแล้ว ก็เลยบอกว่าอาลุณสวัส์ท่านผู้เจริญเออมันเยบได้หน่อยหนึ่งผู้เจริญเงียบแล้วเห็นจิตหมดเลยพอพูดวันที่สองเหลือชั่วโมงสุดท้ายพ่อกูก็ให้ถามไงบางคนก็กล้าถามบางคนไม่กล้าถามเขียนขึ้นมาพ่อคูรู้อยู่แล้วเขาคิดอะไรมีคําถามหนึ่งว่าวิทยากรคิดอย่างไรกับเครื่องแต่งกายกลางวันพ่อคูก็ชุดชุดดำ คืนก็ชุดข่าวพวกขวบไม่ได้คิดคําว่าเข้าเมืองตาเหลวเหลวตาตามเนะี่ยไม่ได้หมายของว่าเราไปเมืองนั้นมันเป็นโจรทั้งหมดเราต้องไปเป็นโจรเหมือนมันแต่เราไม่ทำลายสมบุิบัญญัติของโจรเราก็อยู่กับโจรได้ล้างถ้วยล้างจานให้มันก็ได้คําว่ากาลาเทศะพวกครูรู้เลยว่าตัวเองเป็นเกษตรกรไทยควรจะแต่งชุดแบบไหนมันเหมาะกับเรา ยังไม่ได้ถามพวกคุณเลยนะว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าอากาศเมืองไทยอบอุ่นสบายสบายไปเปิดแอร์ให้มันเย็นแล้วก็ใส่สูทให้มันร้อนแล้วก็ไปหาเงินมาจ่ายค่าไฟแล้วก็ไปสร้างเขื่อนทาลายสิ่งแวดล้อมน้มันเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าไม่ได้ถามนะถ้าใครไม่ทำเหมือนฉันนะ่ะเธอเป็นมนุษย์ต่างดาวหลังจากพวกกูตอบหมดแล้วเนี่ยเขาก็ประเมินผลชอบ แต่ข้าพเจ้ายังมีกิเลสอยู่บอกรักชอบยังไงก็อุ้มไปเถอะเพราะครูสำเร็จแล้วสองวันนี้ไม่ได้สูญเสียเวลาเปล่าเพราะว่าอย่าง น, น้อยๆพวกคุณเห็นกิเลสตัวเองแล้วแล้วหลายคนเนี่ยถูกเกณฑ์มาฟังไม่ใช่เขากเกิดจากศรัทธาจากวันนั้นนะพักูหยุดออกงานเขาก็เชิญอีกนะกไม่ไปหยุดหลายปีนะมาให้อะไรต่างๆที่นี่พักูออกไปแล้ว มันไม่ง่ายเราเราพูดภาษากับสิ่งที่เขาคุ้นเคยเราอย่าไปเปลี่ยนชีวิตเขาหลายคนถูกเจนมาฟังไม่ใช่ว่าเขาอยากจะศึกษาธรรมะทําให้งานมันเสร็จนี่แล้วเร็วนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็มาเนาะพี่นุ้ยเบิ่งรายงานงกุมมื่วานว่ามีเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มาอะไรวนจะมาเข้าค่ายเราก็ว่าให้เข้าค่ายคงหลายวันมันมาเช้าเย็นกลับมันจะมาเข้าค่ายอะไรคือทําอะไรอยู่ไหม ยมาเพ้นห้องน้ำอะไร ๆ, ๆมาเข้าค่ายเพื่อสรุปผลว่าฉันทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วได้คะแนนนี่แหละคือการศึกษาเป็นแบบนี้เห็นไห ม, มันก็ทำแบบนี้ไงชอบมากแต่ที่นี่ไม่ทำแบบนั้นนะเอาเป็นว่าให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อครูขอขออีกปีหนึ่งว่าคือสี่ปีนั้นพ่อครูกำลังทำศูนย์จิตใจแล้วตอนนี้เนี่ย ใครมาก็มีปฏิบัติมีที่พักมีอะไรก็เดินของเดินของมันพาะครูไม่อยู่ที่นี่ก็เดินได้นะในยี่สบห้าปีเนี่ยพ่อคูกลับไปกลับมานะเดี๋ยวช่วงนี้ทําศูนย์สมองช่วงนี้ทําศูนย์จิตใจช่วงนี้ทําศูนย์ปากทองและศูนย์สมองเนี่ยถ้าไม่ใช่พ่ะครูไปพาทำเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้พ่ะครูจึงประวนาตัวเป็นหัวหน้ากบฏเพราะมันถูกด็อกไปแรงมากเลย ถ้าลมไม่มีพลังเยอะๆเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เด็กยากจนก็มาเรียนเวลาเสียเวลาชีวิตเขาเฉยๆเพราะคูถึองลงมือเองไงขอปีหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพ่อคูจะกลับไปศูนย์ปากทองเพราะคนของเรามากขึ้นเห็นไหมตอนนี้อาหารประแขเนี่ยต้องไปพึ่งคนในเมืองนะ พราะกูพูดมาหลายปีแล้วแต่มันไม่มีเวลาทําเกษตรเพื่อชีวิตพรากูสถิที่ศูนย์ปากทองเราตอนนั้นน่ะนะไล่แหลมทองมาทําแค่ห้าปีดังมากดังทั่วประเทศเลยผู้สื่อข่าวทุกฉบับมาโทรทัศน์ทุกช่องมาถ่ายทําน ะ, กะเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทามาหาขายทําอยู่ทํากินทําทานทําเพราะทำธรรมะคือหน้าที่ แต่ยังไงรู้ไหมหน่วยงานทุกอย่างก็พากเกษตรกรมาใช้งบให้มันหมดไงมะม่วงปูเป็นตัวอย่างนะมันก็ยังมะม่วงมันมันยังไม่แก่เลยมาปุ๊บเขาก็เรียบปุดเลยแล้วเขามาดูงานเขามาเที่ยวนะมาเที่ยวเพื่อเพื่อว่าผลงานจบแล้วพราะกูให้มันไม่ใช่แล้วแต่ที่นู่นฟรีนะมหาลัยต่างๆ จบปริญาโทต้องมานั่งฟังพกูบรรยายตอนนั้นน่ะตอนนั้นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอง์ในหลวงยังไม่ออกมาพอท่านออกมาพวกกูกใช่แล้วณนาดใช่แล้วเนี่ยยังดันไม่ออกเลยเห็นไหมเพราะคนรุ่นใหม่มันไม่เอานั่นคือคำตอบในการแก้ปัญหาชีวิตเลยเราทาโดยจิตเรามันสั่งให้ทำ น้องวิชาการก็มาสอนว่าเขาต้องการมีผลงานกับเรานะต้องใส่ปุ๋ยยี่ห้อนั้นยายานี่พวกกูฟังแล้วพวกกูไม่เคยทำเราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจเราทำเพื่อชีวิตถ้าทำเพื่อธุรกิจนะไอแ้แมลงเธอมากินมะม่วงฉันเหรอมึงตายแน่ๆฉีดฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันมึงตายแน่ๆ น, นะคุณยายเนี่ยนะคุณยายเนี่ยมีหน้าที่ปลูกผัก ปลูกไปด้วยก็บ่นไปด้วยมันเหลือแต่ก้านไงปุ๋ยก็ไม่ให้ใส่ยาก็ไม่ให้ฉีดแต่เราประชุมกันเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งแกก็บอกว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมให้ปลูกทําไมเห็นไหมมันมีแต่ก้านเพราะสมัยก่อนที่นี่เขาปลูกแตงโมอะไรเนี่ยมแมลงมันก็แห่เขาเ้าไปในไร่เราหมด <c oughs> บอกสัง่งให้ปลูกก็ปลูกเพราะครูมีกินทุกคนจะมีกินรู้แต่ถ้าทําอะไรง้อง้อไปทำทำไมมันไม่ได้กิน สมมต mm ิ hmm. ว่าให้ยายปลูกนะโอเคใส่ปุ๋ยเหมือนนักวิชาการเขามาบอกอ่ะฉีดแมลงฉันจะฆ่าเธอฆ่าเธอเธอมาแย่งของฉันกินนะผักสวยมากเลยแล <plein. S 1> ้วคุณยายเนี่ยเอาผักไปเลี้ยงพระที่วัดคิดว่าได้บุญเหรอไปฆ่าพระผ่อนสงปลูกให้แมลงมันกินได้บุญทุกวันสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นปลูก และตอนนี้เขาปลูกได้กินแล้วเพราะว่าไอ้แมลงที่มันกินมแมลงเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นมามันมีปูมคุ้มกันของมันเองมแมลงมุมก็มากลางมุงกินมแมลงส่วนมันจะสวยบ้างไม่สวยบ้างเราไม่ได้ไปขายนี่และตอนนี้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครเป็นมะเร็งสักคนหนึ่งไอ้คนฉี่ก็เป็นมะเร็งไอ้คนบริโภคก็เป็นมะเร็งมันได้บุญเหรอและการที่ล่ํารวยจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะ รวยไปเถอะจิตพวกครูไม่หลงเห็นไมเราปลูกผักเราทำกเกษตรเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตคนปลูกไม่ใช่เพื่อผลมะม่วงผลมะขามผลขนุนไปประกวดได้ที่หนึ่งพอเจาะลึกไปเป็นหนี้หัวโตกันหมดเห็นไมนี่คือวิชาการนะเอาผลงานไปประกวดกัน แต่มรคผลของชีวิตนั้นทุกคนเป็นหนี้เป็นมะเร็งเป็นโครคภัยไข้เจ็บแล้วคุณจะปลูกมาทำไมคุณจะรวยมาทำไมนะจิตพระครูไม่ทำตามไงพระครูก็เรียนรู้จากตนนั้นเยอะแต่สุดท้ายแล้วว่าไม่ใช่การแล้วอุชาจะไปทาเป็นตัวอย่างนะเพื่อจะช่วยเหลือเกษตรกรเขามาเที่ยวมาดูงานนะมีครั้งหนึ่งข้าราชการเกษตรก็วางแผนสร้างฉากหลอกผู้ว่าไง หราผู้ว่ามาแต่ผู้ว่าเขาไม่ง่เขาไม่เดินไปตามที่มันวางนะเขาวิ่งทะลุไปครัวเราเลยอะไรเลยมาคุยกับพ่อครูไงมันเป็นแบบนี้ไงคนจนมันถึงจนซ้ำชาอยู่อย่างนี้นะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพัฒนาคนนี้ไม่ต้องมีดีกว่าเขาจนอยู่ดีๆเราพัฒนาจนเขายากจนเอ๊ะทำไมจนอยู่ดีๆเพราะเรารู้ว่าจนมันไม่ดีไง จนมันไปว่าอะไรนะไปว่าไม่มีไม่ได้ไปว่าทุกข์ไม่ได้ไปว่าไม่ดีรวยก็มีเยอะไม่ได้ไปว่าสุขสักหน่อยหนึ่งแล้วไม่ได้ไปว่าดีเห็นไหมเราแปลผิดเองตอนนั้นเขาจนอยู่ดีๆเพราะว่าเขาไม่มีหนี้สินไงเขาไม่มีเงินที่นี่อยู่ข้างเขื่อนลงเผื่อนปุ๊บได้ป่ามากินเข้าไปในป่ามีเห็ดมีหน่อไม้ไม่ต้องใช้เงิน ตื่นกี่โมงก็ได้ทําก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ตอนนี้ยากจนหมดแล้วเพราะเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายเขาก็ยึดที่หมดตอนนี้ยากจนไงเนี่ยมันพัฒนาจากจนอยู่ดีๆกลายเป็นความยากจนแล้วพวกครูจะทำยังไงทําใจก็เลยมาจับนักเรียนเรามาทําบุญกับเด็กดีกว่ามันบริสุทธินี่คือที่มาของมันและโรงเรียนนี้เนี่ย เป็นฐานที่ตั้งแห่งการสร้างทานบา ร, รมีของเราเราไม่ได้ช่วยเหลือเด็กยากจนเหล่านี้เราไม่บังอาจไปช่วยเขาผู้เจ้ายังทำไม่ได้เลยอย่าบาังอาจไปฝืนกฎแห่งกรรมเขาแต่เรามีหน้าที่ให้เขาให้สิ่งดีๆแก่เขาส่วนให้แล้วเขาดีขึ้นอนุโมทนาสาธุเขาไม่ดีขึ้นก็เป็นกรรมของเขาเห็น ไ, ไหมทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เราที่นี่ครบวงจรนะ ตอนพะคูอยู่ทางโลกนะบางทีจะหาเรื่องเลี้ยงพระสักเก้ารูปนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะไม่มีเวลาทุกวันนี้ยี่สิบกว่าปีเราเลี้ยงพะระเลี้ยงเนเรเลี้ยงฉีเลี้ยงเด็กเจ็ดแปดร้อยคนเลี้ยงโยมเฉลี่ยวันหนึ่งพันคนทุกวันใช่ไหมเป็นบุญใหญ่ไหมก็บุญใหญ่ไง ถ้าไม่มีส่วนเกินจริงๆทําได้ไหมไม่ได้ส่วนเกินไม่ใช่เรื่องเงินนะสภาวะธรรมของจิตรวยแค่ไหนก็ทําไม่ได้ไงเพราะมันกลัวหมดมีแต่รวยเงินแ ต, แต่จนชีวิตตอนนี้หาเศรษฐีตัวจริงไม่ค่อยมีหรอกมีแต่คนรวยเงินเศรษฐีหนึ่งคือมีเศษส่วนเกินนางวิสาขานเศรษฐีตัวจริงเห็นไม เขาถึงมารู้ทำไงตอนนี้คือพวกกูทำํำทำทำทำมาให้เห็นแต่ว่าอยู่ที่ว่าบางคนเห็นครึ่งหนึ่งบางคนเห็นสิบเปอร์็นางคนนี่แล้วก็เป็น<ๆ>ก็เป็นเรื่องนานาๆจะไม่ใช่ผิดแต่บางครั้งมีโอกาสเตือนก็เตือนว่าไม่ใช่ว่าไม่แน่ใจอย่าพูดนะถึงจะแน่ใจก็อย่าพูดเพราะว่าใจเธอมันหลอกเธอฝึกตัวเอง มีจะกล่าวโทษคนอื่นนะตาเนี่ยมีไว้เพื่อดูว่าสถานที่เอโกจรเนี่ยอย่าไปปากมีไว้กินข้าวกับให้ธรรมทานไม่ใช่มีไว้สร้างกรรมนะอรยตาะเรามียายาหกนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาให้เครื่องมือเรามาเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตเป็นเครื่องมือในการสร้างอริยทรัพย์ แต่ตอนนี้เราใช้เครื่องมืงตอตัวนี้มาเสพอันนี้ก็อร่อยลอยอันนี้ก็เพราะเพาะอันนี้ก็สวยสวยอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็นิ่มนิมแต่พอไม่สวยปุ๊บก็ทุกพอไม่อร่อยปุ๊บก็ทุกไงเราไม่รู้เท่าทันอายตนะนี่หละคืออายตนะวิปัสสนากรรมฐานอยยนายตนะคือต้นเหตุทั้งหมดถ้า ร, ารู้เท่าทันในจตนะปุ๊บเนี่ยขันห้ามันปรุงไม่ได้ สักแต่วรู้สักแต่วเห็นจบรูปเกิดจบดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรุงต่อไม่ได้เมื่อขันห้าปรุงไม่ได้ปฏิสมุทบาทขับเคลื่อนไม่ได้วัฏฏะสงสารดับอายตนะนี้สำคัญมากอายตนะวิปัสสนากรรมฐานที่เรากลำลังเนินอยู่ พอหลายคนถามป้ากูมีน้สูตรไหนพระไตรปิฎกมีหรือเปล่าอะไรเนี่ยมิแต่ชอบเรียนแบบอะไรเนี่ยนะถ้าพระไตรปิฎกบังเอิญไม่เคยเขียนไว้ก็บอกไม่ใช่เหมือนนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละอะไรช่างตรงวัดไม่ได้ก็บอกไม่ใช่มันก็เลยพลาดโอกาสไงป้ากูเคยเจอคําถามวันนี้เยอะมากเลยเพราะตัวเองไม่เคยมีความรู้ตัวเองเลยมีแต่ความรู้ที่ว่าเขาบอกเราอ่านมาถ้ามันไม่บันทึกไว้ก็คือไม่ใช่ พ่อครูก็เลยถามย้อนนะครูบาอาจารย์ถามพ่ครูว่าพุทธการเขาทำอย่างนี้เหรอผู้เจ้ามาเต้นแ่งเต้นกาอย่างนี้เหรอบอกท่านรู้ได้ยังไงท่านไปเห็นมาหรื อ, อยังอย่าแกล้งลืมนะไม่ใช่แกล้งลืมหรอกเขาไม่มีบา ร, รมีพอที่จะไปดูพวกครูไปดูมาแล้วไงถ้าไม่ถึงขั้นมหาสติปัะญานเนี่ยเราจะรีวายไปดูไม่ได้หรอก มีเธออ้างอ้างอ้างผู้เจ้าแล้วทำทํ า, าตามผู้ดีเจ้าหรือยังเขาบอกว่าทํำยังไงผู้เจ้าไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยเนี่ยท่านไปอ่านทําไมท่านถึงไม่พ้นทุกข์ไงมัวเสียเวลาไปจําอยู่ตรงนั้นแหละเจ้าชายเสด็ะไม่มีพระไตรปิฎกอ่านและผู้ดีเจ้าทั้งหลายที่ศาสนาพุทธเราบันทึกไว้เนี่อีกยี่สิบเจ็ดพระองค์เนี่ยเจ้าชายศีด็จถามีองค์ที่ยี่สิแปดเนี่ยพระผู้เจ้าทั้งหลายนี่ยก็ไม่อ่านพระไตรปิฎกไม่มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้น ทำไมเขาบนรู้ทำได้แล้วก็ถามอีกอย่างหนึ่งรู้จักพระ อ, อนุนไหมเ่าบอกรู้สิเออมีใครมีความรู้มากกว่าพระ อ, อนุน์ก็เงียบไยรับตรงๆจากพ้าโอดเลยไม่ต้องแปลบาลีเป็นไทยไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กันแปลไทยเป็นไทยแบบทุกวันนี้แล้วทำไมไม่มนรรลุทำล่ะเกือบไปไม่ทันแล้วนะรถด่ดวนบนสุดท้ายนะมตะจทไงมตะจทไงจดย์จ จ, จเห็นไมล่ะ พุ่งนี้ช้าต้องปเป็นประธานอาเรียส่งไม่เป็นอารหันไปไม่ได้คืนนี้มุ่งมั่นมันเป็นเพียนเอาตายเลยกาลังจะสว่างแล้วมันไม่ไหวนะนอนดีกว่าบรรลุกลางอากาศถามว่าสูตรไหนสูตรพระอนุนเราเรียนแบบได้ไหมได้แต่มันจะได้มันจะบรรลุหรือเปล่ามาดูลองทิ่ยืนมาล้มล้มล้มล้มล้มล้มล้มเผื่อมันฟุกนะเพราะมันวางแล้วมันก็ว่างไง นี่แหละที่มันจับเรากิ้งกิ้งกิ้งนั่นแหละบางทีวินาทีนั้นมันคิดไม่ทันมันปล่อยวามันก็มันรู้ทำได้สูตรใครสูตรมันอย่าเรียนแบบจบว่าหลวงพิน พ, พูดเองแนวที่เราทําที่พระครูทาเนี่ยมันเป็นสูตรแรกที่พูเจ้าเอามาเผยแผ่คือธรรมาจักกับประวัตสูตร เร่งสติหมุนกลงล้อของธรรมาจักรเราเห็นธรรมด้วยจักสูขภายในสูตรไหนก็ท ร, รมาจักกับประวัติสูตรโอเคนะก็สุดท้ายนี้ก็ขออารัธนาคุณพระศรีรันตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมัตผลนิพพานโดยไวยเทิน